จเจริญพรท่านสาธุรณชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมก็ขอเชิญเข้ามาได้เราก็จะไปที่เด็กชายพีเคก่อนพีเค คาพาจารกำลับมาจากการคาพาจารจะกินนั่งสมาธิอยู่คบพาจารเออนั่งได้กี่นาทีสองนาที่องนาทีคาพาจารโอียเขาไม่ได้นั่งสมาธิหรอก็เรียนั่งเล่นใช่ปะสดีขอบใานะคะไม่มีไม่ใช่ไหมไม่พาจารบอกว่า สนาทีเขาเรียกว่านั่งเล่นใช่ไหมใช่นั่ ง, งเล่นไหมอ๋อไม่ใช่อ๋าบอกพระอาจารย์ไม่ใช่ค่ะพอาจารย์เนี่าาย yeah. นั่งยังไงถึงเป็นสมาธิอย่างนี้ค่ะพอาจารย์ <c oughs> อ่าดีสองนาทีพุโทโธบ้านั่งนั่งพุโทโธล่า <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ไปโรงเรียนใหม่แล้วดีไหม <c oughs> ดีค่ะพอาจารย์เอี yeah. เพื่อนใหม่ดีไหมดีครับอาจารย์ ร, ยรังแกหนูแบบชื่อคราจารย์อาจารย์ถามว่า ร, างรังแกหนูหรือเป่าไม่มีใครไม่มีแค่ข้ า, ารังแกหนูหนูลังแกเขาเมื่อกว่ามั้งตอบอาจารย์ไม่ครับหนูไม่รังแกใครนะเพื่อนครอาจารย์ <Okay. S 2> คือคำถามต่อนะถ้าถ้าถ้าสมองเราคิดจะทําไม่ดีแต่ว่ากลายแล้วทําดีเราจะทําให้ดีออกมาหรือทําดีออกมาคาาราับพ่อจันอ่าออ ก, า ก, าก็แล้วแต่เราจะเชื่อใครถ้าเชื่อสมองก็ทําให้ดีถ้าเชื่อกลายก็ทําดีแล้วแต่เราจะเชื่อใครเชื่อ เชื่อเชื่อฝ่ายที่สอนให้เราทําดีนะฝ่ายที่สอนให้เราทําให้ดีเราอย่าไปเชื่อเขาทําแต่ความดีเข้าใจไหมเข้าใจครับอาจารย์เช่คุณแม่บอกเช่นคุณแม่บอกให้นั่งสมาธินี่านั่งแต่ใจหนูอาจจะคิดว่าอยากจะเล่นเกมก็ อ, อย่าไปเล่นนะ เนเกมไม่ดีนั่งสมาธิดีกว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับพออาจารย์โอเคทำแต่สิ่งที่ดีถ้าไม่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีก็ถามพุทแม่ก่อนอนะทำอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้อันไหนดีเข้าใจนะเข้าใจครับพอาจารย์โอเค มีอะไรไหมคุณแม่ไม่มีค่ะอาจารย์วันนี้มากานมาราชการาเลือพลังบวกค่วันนี้ยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่หรอยู่กรุงเทพค่ะอาจารย์เดี๋ยววันศุกร์กลางคืนไปเออวันวันอาทิตย์ค่ะไปญี่ปุ่นค่ะอืมไปทำงานหรือไปเยี่ยม ไปไปทุลาแค่สองวัน ค, ค่ะอาจารย์ไปเช้าแล้วก็ไปกลางคืนวันอาทิตย์แล้วกลางคืนวันจันทร์ก็กลับเลยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเทอมอะค่ะอ่าค่ะไปคืนไปวันเดียวเดี๋ยวนี้ไปมาหาสู่กันง่ายนะเหมือนไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตนนมีทุละแล้วเพลินช่วงเขาเปิดเทอมพอดีเพิ่งเปิดเทอมก็เลยไม่อยากให้ขาดค่ะอืมมันหกชั่วโมงแค่นั้นเพิ่มค่ะอา <c oughs> จารอืม ไปดีไปดีมาดีนะเท้ากาสปลอดภัยขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัตุแข็งแข็งแรงนะคะอ่าล้วัสดการเจ้าค่ะไปที่จะแม่จอแจที่หายแล้วหรือจะแม่พระเจ้วัสดการพระอาจารย์ครับหายดีนะครับเวลาไม่สบายคิดยังไงบ้างก็เฉยๆครับเอ่ารางกายไม่ใช่เรานะใช่ครับ เราไม่ต้องไปไม่สบายกับร่างกายเข้าใจไหม uh huh. เราต้องสบายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายอ้าว uh huh. วิธีจะทําให้ใจเราสบาย ก, ก็ต้องพุทโธพุทโธอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เป็นไม่สบายมันจะไม่สบายก็ปล่อยมันไม่สบายไปเดีย๋ยวมันก็หายถ้าไปอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายมันจะทําให้เราไม่สบายไปไปด้วยครับ uh huh. อ่าทำอย่างที่พูดหรือเปล่าจะทำยังไงก็าทำอย่างที่พูดครับไม่อยากให้มันหายเลยลไม่อยากเป็นเลยไม่อยากเจ็บเลยครับก็ถ้าเกิดหายได้ก็ดีครับอ่าหายได้ก็ดีไม่เป็นไรแต่อย่าไยอยากให้มันหายนะครับอยากแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายขึ้นมาด้วย อาต้องเฉยๆดูแลร่างกายไปเขาไม่ได้เป็นเราเขาเป็นเหมือนคนรับใช้เราแล้วเป็นน้องชายเราดูแลเขาไปอยาเขาไปพัก่อนรับนอนไปอย่างนั้ก็หายาสนใจก็นั่งสมาธิไปทำสมาธิไปพูดโทรไปดูลงไป อโอเคจะจ ะ, จะที่มีอะไรล่าทนี่มีครับอันทิท่เท่าเข้ามาคนเดียวยังไงรู้สึกกลัวไหมไม่เค่ครับไม่กลัวนะว อ, ะ เ, อเก่งนะท้องเองคนเดียวได้เนี่นะโอเคจะส่งกันบ้านใช่ไหมใช่ครับอ่มามาเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้ก็จัลเวนเปต่างๆ่างคือว่าเราจะต้องรับผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้เดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมันญดไว้เป็นต้นเยตดเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเราต้องหลายคนที่จะได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิโอเคแล้วนร่องกายเรามีอะไรบ้างมีผมผลเทปปันหนังเนือเอ็นกระดูกยานกระดูกม้าม ปวดใจตัดคำพูดตายบอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายุ่ในสมองศีสันน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไตข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไตข้อน้ำมูก น้ำลายน้ำเลีหยวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลตน้ำดีเยื่อนสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดใตังผึ่งตับหัวใจน้ำเนื้อกระดูกกระดูกเอนเนื้อตนังปันเล็บขน ทำแล้ารู้สึกอย่างไงมีประโยชน์ไหมนะ ท, ออทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างที่เท่างวันนี้คิดว่ามีประโยชน์กับเราไหมมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรทําให้เราเห็นกับจริงชีวิตครับเรายอมรับความจริงได้ไหมได้ครับเนเราปฏิบัติเพื่อแก้ความ มืดบอดใจเรามองไม่เห็นความจริงเราถึงต้องคอยสอนใจความจริงอยู่เรื่อยจะได้ไม่ลืมออพอไม่ลืมแล้วก็จะได้ทำใจเตรียมตัวรับกับความจริงเวลามันเกิดขึ้นอา้าวต่เวลามันเกิดขึ้นใจก็จะไม่ทุกข์จำไหเนะจนเราตายเลย ร่างกายนี้ก็ดูให้ดีว่าไม่มตัวตนไม่มีตัวเราอยู่มีแต่อาการ32ไม่สวยไม่งามทําจากมาจากธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟเวลาร่างกายอยู่ ท, าท้ายใจธาตุสี่ก็แยกตัวออกจากกันไปออกจากร่างกายไปอศึกษาไว้จําไว้นะ ร่ากายเป็น uh, เพียงธาตุสี่ในน้ำลมไฟ <c oughs> ใจเป็นท่านรู้มาใช้ร่างกายเป็น user user uh, เป็นใจเป็นยู u อร์มาใช้ร่างกายใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายครับพ uh, uh, ยายามจําไว้นะเสมอ ใจเนี้ยไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรเพราใจหัวใจไม่ได้เป็นร่างกายโอเคมีคําถามไหมไม่มีครับอเด็กๆที่เข้ามาต้องเรียนเรียนที่จะม้ ก, กับเจที่ท่องไว้นะเป็นความรู้พื้นที่ดีเป็นเป็นธรรมะโอ้สดเป็นยารักษาโรคความทุกข์ใจได้ รู้ความจริงแล้วจะไม่ทําให้ใจไม่ทุกข์นะเดี๋ยววันนั้จะให้ท่องบ้างนะอ่าไปที่น้องพี่ต่อครบขอบคุณป้าจางครับน้องพี่ท่องอะไรได้บ้างหรือยังมาจัด ก, การนะมาจั ก, การอ่ะให้ทําการบ้านแล้วนะ <c oughs> น้องสมาธิไม่ได้ก็ท่องเอาปัญญาก่อนแล้วกันดีไหม ท่องได้แค่การพิจารณาพิจรารณาอ่าใช่ไหมว่ามาเราให้ฟังเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงความความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บคข้เป็นธรรมดาจะล่วงความล่วความเจ็บไายไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ไ ด, ไไได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าเราจะต้องผัดแพ็กจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งวงเรามีกรรมเป็นของขอ ง, ของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรเป็นแดนเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นที่พึ่งปาศัยเราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนาสืบต่อไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกคนทุกคนเถอดอ๋อเก่งมาก ดีซอนเงียบนี่ค่ะแอบแอบซุ่มทำไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยค่ะดีแต่ไม่ได้ท่องอาการ3 2ต่อนะผมขนให้เล็บฟันออไหนท้องท้องได้ขนาดไหนนะเป็นท้องสับไปสับไปอยู่ค่ะอืมต้องให้หลูกตาฝันก่อนจะลูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ในกระดูกน้มหมวใจตับถังผื่นไซใหญ่ไสน้อยตายก่อนตายกอยหวานไซใหญ่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าภี่ในจมูกสึกธะน้ำดีน้ำเสลด น, น, น้ำเหลือน้ำเหลือน้ำไข็ข้อน้ำมันค้นก่อนน้ำมัน้นน้ำมันเหลว น้ำลายก่อนน้ำน้ำตาก่อนน้ำตาก่อนน้ำน้ำมันเดีวน้ำมันเหี่ยวน้ำมู้น้ำมุ้น้ำแข็กน้ำมุ้น้ำแข็งกน้ำมน้ำปูน้ำแร็งก็น้ำมูน้ำลายน้ำมันเหี่ยวน้ำตาน้ำตา น้ำมันก้นน้ำมันก้นน้ำเหนือ น, น้ำเลือดยากหน่อยเนะี่ยท่องกับเนะี่ยไม่เป็นไรมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวขาจะพยายาท่องตลับไปที่ให้ท่องกับจะได้มีสติเนี่ยจะได้ตั้งใจถ้าต้องแบบต้องท่องแบบลอยๆมันจะจําไม่ได้ต้องต้องต้องท่องแบบมีสติดีมากเหงมาก นะวันนี้ชมหน่อยไม่เคยชมเลยนั่งสมาธิยังไม่ได้ไม่เวลาไเอาความรู้ก่อนนะกันนะคะมีอะไรอยากถามไหมไม่มีค่ะอืมยังต้องพยายามนั่งสมาธิด้วยนะครับให้นั่งทุกวันมเมื่อกี้ปามาบอกว่าให้หนั่งส็จนาทีแต่ว่าน้องพี่ไม่รู้ จริงๆหมามาจะให้หนูนั่งสิบนาทีแต่หนูไม่รู้ว่าหมามาให้น้องผิดนั่งสิบนาทีเพราะว่าน้องผีจะบอกแมามาตลอดว่าให้นั่งห้านาทีแต่แมามาไม่ให้ทำห้านาทีให้สิบนาทีตลอดเลยอ่าดียิง่งอ่ะยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีสมารถที่นี้เป็นเหมือนเงินนะตอนนี้ ห, หนูก็นั่งไม่ขอพานั่งได้แค่ห้านาทีค่ะรับตามที่มามาบอกเพราะว่าเล็กสุดระหว่างนี้ให้ค่านาทีค่ะอ่า นั่งได้เท่าไหร่ก็นั่งไปก่อนแล้วพยายามพัฒนาภาพขึ้นไปสิที่เราเล็กเตือ น, น้อยแล้วบอกว่าตัวแล้วสิบนาทีได้แล้วห้านาทีนี่เด็กๆโห <laughs> ห้านาทีเด็กๆต้องสิบนาทีแล้วตัวแล้วขึ้นมอนหนึ่งแล้วต้งนาทียังทุกเรื่องมีอะไรพูดจะต้องแบบว่ามีอะไรขัดตลอดหนูก็ ปวดหัวไม่อยากจะเถียงเลยบอกว่าถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรมือถือก็ยึดในโดนยึดหลายรอบแล้วถ้าไม่เข็ดก็ยึดอีกวันนี้ก็โดนยึดค่ะเพราะว่าทําผิดตั้งแหละที่ที่แล้วคิดว่าหมามาจะลืมหยุดสี่วันคิดว่าจะลืมยังไงก็ทําโทษอยู่ดียึดวันนี้จะได้เข็ดแล้วทำโทษไม่ได้เพื่อที่จะทําร้ายคทาโทษเพื่อเป็นการสอนสอนไม่ได้ยิดหมามมาบอกว่าหมามาลืมไม่ใช่หรอว่าหมามาเอาไปแอบที่ไหน หม่ม่าก็ต้องพูดแบบนั้นนะเพราะไม่อยากทะเลาะตอนช้าก็ต้องบอกว่าลืมก็แต่ก็พูดไปอะค่ะว่าก็บอกเขาว่า ม, มาม่ารักหนูนะบอกว่ามาม่มายึดยึดมือถือน้องพี่แบบนี้ทําให้น้องพี่ไม่ได้ไปทํางานหนูก็คิดว่ามาม่าไม่รักหนูบอกว่าว่า ม, มาม่ารักหนูมากนี่แหละมาม่มาถึงต้องยึดเพื่อให้หนูจะได้รู้ว่ามันคือวินยัยการปฏิบัติเรามีกฎระเบียบก็ต้องทํา ถ้าหนูยังทําผิดกฎระเบียบอยู่งี้เรื่อยๆหนูโตขึ้นไปหนูก็จะอยู่กับใครไม่ได้ใช่ถูกต้องอาจจะต้องไปอยู่ในคุกตะลานแทนไม่ทําตามกฎหมายมีคนก็ละมีนิทานเล่าให้ฟังว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนเรื่องกฎระเบียบก็ไม่รู้จักเคารพกฎระเบียบพอโตขึ้นก็ไปทําผิดไปทําผิดค่าคนตายทุก โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตก็มาก็มาบามามามาว่าพ่อแม่ทำไมไม่สอนผมไปโทษพ่อแม่มอะัรก็รักกลัวลูกจะเสียใจถ้าสอนแล้วลงโทษก็จะหาว่าไม่รักความจริงรักเพราะลงโทษแค่นี้มันดีกว่าที่ไปต้องถูกลงโทษใหญ่ไปถูกจับติดคุกติดตาราง สอนทุก อ, อย่างสอนทุกวันสอนทั้งธรรมะสอนทั้งทางโลกสอนจนเสียงแอบเสียงแห้งหมดละหนูตอนนี้นสอนยายเดี๋ยวยิง่งโตยิงต่ยงจะสอนยากมันอ่อนดัดง่ายมันแก่จะเริ่มแข็งไปเรื่อยๆอันนี้โอ้โหแต่ดัดยากมากวันนี้ยากจริงๆต้องให้เข้ามาหาหลวงพ่อทุ ก, ท, ก, ท, กทุกอาทิตย์ค่ะ จะได้จะได้รู้ว่าเนี่ยมีความดีรออยู่มีปูบาอาจารย์รออยู่แต่ได้เห็นหลวงตาแล้วเขาจะได้แบบซอฟบ้างเวลาแบบที่จะทําอะไรไม่ดีก็ต้องมีหลวงตาเอามาอ้างตลอดก<ม>็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมหลวงตาบอกว่าเนี้รักมากต้องดุมากด่ามากเาลยเขารักมากอยากให้ได้ดีเขาก็เขาก็เกลียดแล้วเขาก็เลยฟังหเขาบอกอ๋อครับห ม, มาเมาช้าเขาก็เลยอ่อนลงก<ม>็เลยพูด<ม><ๆ>พดให้เขาฟัง ว่ารักปากนะถึงถึงได้ทำโทษเขาก็เข้าใจว่าการทำโทษแล้วเป็นการที่ไม่รักบอกไม่ใช่รักมันพอแล้วพอพอก็ช่วงช่วงเดือนหลังๆนี้ไปเฝ้าคุณแม่ที่ที่ศูนย์ฟอกไตเจ้าค่ะอาทิตย์หนึ่งก็สองวันไปเฝ้าสองสามวันนะคะช่วงช่วงนี้พี่สาวไม่ว่าง เห็นคนป่วยโอ้ยนะเวทนานมากเลยค่ะเห็นคนเลยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บอใช่ค่ะต่อไปก็จะเห็นคนตายค่ะโอ้เวทนานมากๆเลยบางคนก็แบบเหมือนแบบจะขาดใจในตอนที่กําลังฟอกตายอยู่เห็นแล้วก็บอกเก็ปองปองแล้วก็มองว่าพระพุทธเจ้าที่สอนให้แบบไม่ต้องทานมากก็เพราะแบบนี้น่ะทานมากก็ทําให้ป่วย มทำได้เจ็บอย่างเงี้ยเราเราใครค่าเจ็บเยอะกว่าคนที่ทานน้อยค่ะใช่ค่ะคือพอเนี่ยพอทานได้แค่มือ้อสองมื้อมันก่อนนอนมันก็จะนอนสบายนั่งสมาธิก็จะโอเคมันจะแบบมันจะไม่อึดอัดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเราตัวก็เห็นแล้วก็สงสารทั้งพยาบาลพยาบาลหนูก็เลยซื้อขนมซื้อขนมนมเนยเอาไป แจกให้พยาบาลที่เขาแบบทำงานหูทำตั้งแต่หกโมงเช้ายันสามทุมกันเลยค่ะ่ อ, อไปให้เป็นกำลังใจเขาอะค่ะมาเมตตาค่ะเพื่อเผื่อแผงกันนะค่ะหลโอเคมีอะไรไหมไม่มีคะ่ะหลวงพ่อเดิกัไปต่อนะว่ามีคนรอเออ ย, ยอะๆขอให้หลวงพ่อทขันแข็งแรงนะเจ้าคะาา่ะจ้ี๋ยวเถึงอ่าที่น้องทิม น้องทิมกับคุณแม่น้องทิมว่าไงท่องได้ไหมน้องทิมอาจารย์อาจารย์ทำได้ท่องได้ น, นะครัการท่องไหมการท่องได้เล็กเดียวครับอ่าลองหัดท่องให้จบดูนะบค่ะเมื่อกี้เขาก็พยายามลองหัดท่องอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึก ด, ดีค่ะที่ได้ได้ฟังทุกครั้งที่ได้ฟังพี่จะมาจะตีท่องแล้วก็พระอาจารย์ก็เวลาพระอาจารย์สอนอะไรก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้ฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ อเขาก็ได้ท่องอยู่ค่ะแต่ยาจียงท่องได้ไม่หมดนะคะแต่ก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่ลูกเขาก็ก็ก็ท่องได้พอจะได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีอ่าเป็นความรู้เป็นธรรมะค่ะเมื่อกี้ก็ถามเขาตอนที่พระอาจารย์พูดถึงร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เป็นธาตุสี่เนี่ยเขาเขารู้ไหมเขาบอกเขารู้เพราะว่าเขาเคยเรียนแบบเรียนวิร่างกายของเราก็เหมือนเป็นธาตุสี่เนี่ยเขาเขาเข้าใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อ่าดี วันนี้มีอะไรจะบอกผู้อาจารย์เรืออ่องทนั้นสอบสังคมวิชาพุทธศาสนาได้คะแนน 9.75 ครับอ๋อเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็มเท่าเต็มสิบครับอ๋อเต็มสิบทำไมไม่เต็มเลยล่ะทำมิดเดิ้ลไปผิดตรงไหนเนะนี่ยเป็นน่าจะไปผิดตรง พ, พุทธประวัตินิดหน่อยครับอ๋อพุทธประวัตินิดหน่อยอ๋อเก่งมาก <laughs> เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาได้เข้าสู่พระอาจารย์ทุกอาทิตย์เขาก็เลยทําวิชาพุทธศาสนาได้คะแนนดีนี่ ด้วยขเดี๋ยวให้มาบอกพระอาจารย์หน่อยเราได้ที่หนึ่งรึเปล่า 9.7 นี่นที่สองครับที่สองเลยที่หนึ่งเขได้เท่าไหร่ 9.9 เลยสิบเลยเลยเออสิบเขาไม่ได้เพราะว่าแบบดีจังฟังก็รู้สึกดีแบบเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าการที่เข้าซูมมันดีกับตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เอ้อผมกาเขาก็ได้อะไรไปเยอะอค่ะก็ดีดีขึ้นมากๆเลยค่ะตั้แต่เข้าซูมมาค่ะเดี๋ยวนี้ ห้องสูงนี่ก็เป็นเหมือนห้องเรียนนามาเรียนธรรมะกันค่ะมีหลายระดับฟังไปบางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเอฟังไปบ่อยๆนานๆเขาก็จะเข้าใจซึมซาบเข้าไปเรื่อยๆค่ะดีนี่รายงานเรียนั้งสมาธิก็ดีกว่าก็ตอนนี้ก็ยังนั่งเก้านาทีเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่เกินเลยไม่เก้าจุดห้าเลยแต่ว่า รู้สึกว่าช่วนีนิ่งนิ่งขึ้นครับนี่คงขึ้นเหรอไม่ได้อะอย่าสะกิดสินิ่งขึ้นรอพูดดีๆสิค่ะคือนิ่งขึ้นแต่ว่าคือเขาว่าจะเหมือนว่ามันนั่งไปนานๆแล้วเขาจะเจ็บขาใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าเหมือนเวลานั่งเนี่ยเขาก็จะเอาขาข้างหนึ่งยื่นออกมาเพื่อให้มันไม่ไปทับขาไม่เจ็บไม่ได้นั่นต้องอย่าขยับตัวเลยนั่งต้องไม่ขยับตัวเลยมันเจ็บก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป แล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะไม่มารบควนใจคือ่าอยากถามครับถามสิหลกถามไนดะ้คือว่ า, ถ, าถ้าเรายืดออกมาตั้งแต่แรกแล้วเราไม่ขยับออกไปนี่ผิดนะครับก็พอเริ่มต้นแล้วเราไม่ไม่ขยับเลยอยู่ได้ท่าไหนก็ปั่นอยู่ในท่านั้นไปดัง <c oughs> นั้นก่อนจะนั่งให้ตัดสินใจดีๆก็จะเอาท่าไหน <c oughs> แล้วอย่าเปลี่ยนใจนะ <c oughs> เราเร า, เราต้องการฝึกหาใจนิ่งะให้อยู่กับความเจ็บ ความเจ็บไม่ไม่เป็นไม่ได้อยู่ที่ใจมันอยู่ที่ร่างกายแต่ใจเราไปไม่ชอบมันก็ เ, เลยอยากจะให้มันหายนี่ต้องฝืนว่าเราบางความเจ็บนี้บางทีเราบางครับมันไม่ได้ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนท่านั่งได้ทำให้ความเจ็บหายไม่ได้แต่ต่อไปเวลาไม่สบายมันจะทำให้มันหายไม่ได้เช่นเวลาเป็นไข้อย่างนี้ แต่ถ้าเราฝึกอยู่กับมันได้เราจะไม่ทุกข์กับมันเข้าใจไหมแล้ว อ, อยู่พุโทโธไปพุโทโธไปนิ่งๆเฉยๆไปแล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจอนนี่ก็ไม่สบายอยู่ค่ะอาจารย์ก็เป็นหวัดอยู่น้ำมูกก็เต็มเลยก็เดี๋ยวนี่เขาฝึกอยู่ไปนีล่ละค่ะก็อยู่กับ <laughs> มันไป โอเคได้ค่ะพระอาจารย์คุณแม่ไม่มีคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์คัะไปต่อนะขอบคุณเจ้าค่ะพรอาจารย์ขอให้เป็นตแข็งแรงเจ้าค่ะอาจารย์พรหมพิรายต่ออาจารพระอาจารย์ครับขาบนมัสการค่ะทุกคนสบายดีทั้งคู่กลับขอพระคุณค่สบายดีค่ะสบายดีครับอาจารย์ตามมาราภาพ ดูดีจังเลยนะฮะตอนตอนได้มีแฟนขับวัยยาวเข้ามาร่วมสนทนาธรรมวัยวัยยาวทำให้มีชีวิตชีวามีเด็กเข้ามาทำให้คนแก่มีชีวิตชีวาเห็นเห็นนเด็กๆเข้ามาสนสนนาธรรมด้วยก็ดีใจด้วยครับเก่งเก่งกับผู้ใหญ่ค่ะพ่อแม่ให้ความสำคัญต่อการสอนธรรมะคลนกๆ เออเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์นี่ก็ดีเด็กมันเรียนเรียนรู้ได้ง่ายกว่าจำได้ง่ายกว่าความจำยังดีอยู่จำแล้วเอาไปปฏิบัติไปใช้ได้ยิ่งดีมากเลยนะคะชีวิตจะแบบดีคิดได้สบายค่ยนะก็จะมี<ด><ด>เรื่องเรียนพระอาจารย์นิดนึงคะ่ะว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ไปกราบพระอาจารย์นะนะคะ ที่ที่สัญญาถวายอาหารพระอาจารย์บอกว่าให้หยิบหนังสือเล่มนี้ซึ่งเกรงใจไม่กล้าหยิบแต่แรกเล่มลามากเข้าสู่แดนนิพพานเล่มใหญ่นะคะของ mm hmm. หลวงตาก็นู้ว่าโอเราจะอ่านเมื่อไรจบนะนี่นะคะก็เริ่มต้นอ่านแบบทำให้เราได้สามารถตรวจเช็คตัวเองนะระหว่างอ่านไปก็เลย mm hmm. อันนี้ท้าเอาไว้ว่า เราจะต้องสามารถอ่านให้จบได้ตอนแรกคิดว่าสัดาห์ละสักห้าสิบหน้า mm hmm. นะพออ่าน mm hmm. จริงเพอจริงๆแล้วว่าก็ก็ติดนะฮะ mm hmm. ไปได้เรื่อยแล้วก็ได้มาพิสูจน์ตัวเองไปได้เรื่อยๆว่าอไอ้อตรงนี้มันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเลยคิดว่ามีประโยชน์มากถ้าใครมีโอกาสได้ได้อ่านเนี่นนะคะ <Yes. S 2> ได้นําไปแต่เล่มเห็นเล่มแล้วน่ากลัวน่ากลัว <laughs> <c oughs> ไม่กล้าหยิบมันเพราอาจารย์ไม่อินเสียส์วาออกไปด้วยนะจะไม่หยิบห <ừ> um, <c oughs> นามาเพราะนักใส่นังเซลนี้ไม่เคยไม่ได้พิมพ์บ่อยๆค่ะค่ะอ่าแล้วแล้วดีดีมากแนละ้วเอามาร์กเกอร์ขีดไว้เพื่อวันหลังใครอยากได้ส่งต่อได้สมวนใหญ่ส่นใหญ่ภาคก็นิยมทําพิธีกรรมกันมากกว่าวก็ไม่ค่อย<ช>สยในใจเรื่องที่ไหนก็มีแต่พิธีกรรมมีแต่โซ่กันอื หนังสือนี้ไม่ค่อยได้มีการแจกกันเลยปูก่ก็โน้มน้าวธนากับคนนี้ทําแจกด้วยนะคะเพราะว่าได้ประโยชน์มหาศาลได้ตัวเจกตนเองด้วยอืมอดีน้องตานี้ท่านเป็นพระที่มีความรู้มากในบรรดาลูกศิษย์น้องปู่มั่นทั้งหลายนี่รู้สึกน้งตานี้ท่านจะมีมีหนังสือออกม า, มามากที่สุดมีคนรู้จักท่านมากที่สุด คือที่อ่านอ่านไปแต่ละบทเนี้ยก็จะเทศให้พระก็เลยไปกำดูปีนะคะว่าน่าจะมีบางปีที่พระอาจารย์พระอาจารย์อยู่ที่นั่นตอนเริ่มใช่ตอนเริ่มไหมมาไ5้แล้วสิบแปดแบบท่านละเอียดละเอียดมากแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายทำได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะต่เข้าใจเข้าใจง่ายดีจังอ่านนัท่านไม่จาเป็นจะต้องไปถามอะไรท่านเพราะท่าน สอนอย่างละเอียดค่ะแล้วให้นำมาเป็นปฏิบัติได้ค้ะดีมากเลยค่ะโอเคสาธุตอนนี้เขาจัดเพีงว่าเขาอยาแฮปปี้เขาอยาดีใจใช่ค่ะขอบขอบขอบพคุณมากนุโมทนาอย่างแล้วถ้าใครมีโอกาสไปเห็นวราวันอาทิตย์ยังมีตั้งอยู่เลยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไร่หรอคนคงเกรงใจเส่นเดียวกัน ดออ ไ, ไม่แน่เนี่ยเพราะเพราะมันนี้ไม่เห็นก็เอามาตั้งมีคนมาถามหาก็บอกไม่รู้เหมือนกันต้องถามคนที่เอามาตั้งเหมือนเดิอ๋ อ, อ, อนี่ดีดค่ะหรือบางทีเขาก็สลับกันนะตงซือเล่หมหืึ่งออกมาว่าอ๋อมีคนมาถามคะ่ะโอเคค่ะถ้าใครอยากปฏิบัติเราก็ทดสอบตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ไหนอะไรเนี่ยเล่มนี้น่าต้องต้องอ่านค่ะ ถ้าไอ่มีก็ ค, ออ ค, คิดว่ามีในในเว็บไซต์น่าจะเข้าไปหาได้หนังสือของลูกตาในเว็บไซต์ของวัดฝ า, าบรรทายก็น่าจะมีค่ะเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นหลานบอกว่ามีค่ะจริง<อ>หรือว่าอ่านกระเล่มถึงเจอใหญ่เนะคะเราก็ตัดแทนอ่านได้สบายกว่าไอ้นัน้นแสบอ่นานในในไอ้แทนนั่แสบตาตัวหนังสือมาใส่กแต่หนังสือนี่เราตั้งสแตนไม่เลยนะเหมือนเก็บพระจารย์เนี้ยแล้วก็ แบบเป็นที่ของเราเป็นที่วางของเราได้สบายอโอเคอนำรู้วัฒนาที่ชื่นชมยินดีขอบพระคุณนะทุกอ่ไปที่แม่ลูกลูกตาดคุณแม่มาสักการกับาจายมาสักการค่ะเป็ น, นยังไงสบายดีนะ สบายดีค่ะอืมสงบดีไหมไม่สงบ ไ, ไม่สงบเลยค่ะทายาทไม่สงบเลยวิตกกังวลหวาดกลัวค่ะช่วงนี้สนใจเลยโลกเป็นอย่างนี้นะ่ะอนิจจังทุกขกันหน้าตาขึ้นขึน้นลงลงดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ามันไม่ได้ลองเข้ามันไม่ได้ ห้ามใจเราไว้อย่าไปตกอย่าไปเตือนเต้นตกใจมันทําใจให้เฉยๆไว้ก็ส่งอย่างสงคารมามเมื่อเมื่อสี่สิบปีที่แล้วมัรุนแรงนะครับอาจารย์เออสงคารามที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเมื่อสี่สิบปีที่แล้วมันก็ก็มีเกิดขึ้นค่ะตอนนั้นก็นรุสงครา ม, มโลกนู้นสงครามโลกยิ่งรุนแรงกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาครอบครองประเทศเราเลย เป็นเรื่องปกติของโลกเนี่ยมีการค่าฟันกันมีการแก่งแย่งชิงดีกันเพราะอำนาจเพราะความหลงของความโลภความโกรธความหลงก่อย่าไปกังวลกับมันนะเกิดก็มันเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเราก็อยู่ตามสภาพของเราไปมันก็ไม่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ต้องแกาเหยบตายเหมือนเดิมให้คิดอย่างนี้แล้วกัน <S <S โลกมันจะดีขนาดไหนมันจะเจริญขนาดไหนมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงของเราควาจริงของเราเราก็ต้อแก่เจ็บตายเหมือนเดิมก็เลยไม่เห็นจะต้องไปตื่นเต้นตกใจเลยแล้วถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ก็หมดปัญหาไปแค่ั้หละถ้าไม่อย่างมากมันก็แค่ตายนะทงทางมันจะเกิดขึ้นมาอย่างมากก็แค่ตายมันจะมากมันจะตายมันจะมากไแบบนี้ได้ยังไง แล้วถ้าเรายอมรับความแก่เจ็บตายได้แล้วมันมันก็ไม่มีอะไรที่มาทำให้เราต้องกังวลต้องหวาดกลัวแต่อย่างใดถึงบอกให้ท่องอยู่เรื่อยๆ เ, เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาโลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราจำได้แล้วเราเรายอมยอมตายได้ยังไม่กลัวอะไรเลยโลกจะเป็นยังไง โลกจะรานโลกจะหนาวโลกจะเป็นอะไรมันก็มันก็ไม่พ้นความแก่เจ็บตายของเรานี่นหะแล้วถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิทาใจให้นิ่งเฉยปล่อยวางได้เราก็จะไม่เดือดร้อนพยายาฝึกสติฝึกสมาธิให้มากว่าให้นําใจให้นิ่งให้ได้เวลาจะตายก็ให้ใจนิ่งเฉยไปเท่านนเ่งเวลาเจ็บก็นิ่งเฉยไป ให้ฝึกนั่งกับความเจ็บไปเรื่อยๆอย่าหนีความเจ็บเวลามันเจ็บแล้วพยายามฝึกเจ็บให้อยู่กับมันไปจนกว่าความเจ็บจะหายไปเองอหรือถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปใจก็สงบไม่เดือดร้อนไปกับมันค่ะอาจารแล้วเราประกันได้โรคจะเป็นอะไรข่าวข่าวสารดีช่วยยังไงก็ไม่เป็นปนัญหา ไม่ไม่ทำให้เราหวาดกลัวแต่อย่างไดใช่ไหมนี่เราปฏิบัติก็เพื่อทำข้อสอบเหล่านี้แก่เจ็บตายใจเราต้องไม่ไม่วิตกไม่ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายถือเป็นเรื่องธรรมดาค่ะค่ะอาจารย์จะพยายามค <laughs> ่ะเน ดีก็ไม่พยายามฮะพยายามเดียวก็จะได้สําเร็จความพยายามอย่ที่ไหนความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นช้าบ้างเร็วบ้างพระเจ้าบอกเจ็ดวันบางคนก็เจดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีเแต่ถ้ามีความพยายามปฏิบัติศีลสติสมาธิปัญญาได้ก็ไม่พ้นเจ็ดปีเป็นอย่างว่ากไม่ใช่เป็นของยากยินเลยหลักสูตรแค่เจ็ดปี ไี่เราไม่เอาจริงเอาจังกันนะแล้วทำแล้วก็ทําสองสามวันแล้วก็หยุดไม่ทํานูน่นทํานี่ใหม่ไม่ทําอย่างต่อเนื่องมันต้องทําแบบต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาเหมือนกันเดินยืนนั่งนอนตแต่ตื่นจนหลับนี่ปฏิบัติ 8, ต่สติสมาธิกับปัญญาสามตัวนี้ถ้าทำอนี้พระพุทจ้รับประกันเมื่อเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่อเจ็ดเดือนก็เจ็ดปี ค่ะอาจารย์ลองทำดูสิเจ็ดวันนีไ<อ>้ไยังไม่แน่นะะวัน <c oughs> โอเคมีอะไรไหมไม่มี <c oughs> ไม่มีค่ะมาร่วมฟังธรรมค่ะแล้วก็มากราบอาจารย์ค่ะเดาไปนลองสร้างเป้าดูเจ็ดวันไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เป็นเจเดือนไปเจ็ด <c oughs> เดือนอยังไ <c oughs> ม่ั้วก็เป็นเจดปีไป <t ose> ต้องไหว <ทำ S 2> ก<า>้อาจาจา์จะได้จะได้ไม่ต้องมาวนเวียนอะไรกันอีกขอให้ขอให้ขอใทำจริงๆจริงจังๆน้านะะวันเวลาทุกทุทกวันเวลาที่มีชีวิตอยู่ในขณะ น, นี้ขอให้ยกให้กับการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเนี่ยถามตัวนี้รับ <c oughs> ประกันได้ต้องได้แน่นอนตามที่พระเจา้ารับประกันไว้ โอเคไรที่ท่านตอบไปเลยอบ่ะคุณครับขอคุณัเป็นยังไงคุณทัพมีอะไรไหมกลับนามารรมอาจารย์ครับยังไม่มีครับโอเคเห็นไปได้คุณหมอพัฒนาบปันหมอเจ้าเจ็ดวันและเจ็ดเดือนและเจ็ดปีกลรบารรมค่ะพระอาจารย์ จริงๆตอนแรกก็ตั้งเป้าเส็จวันด้วยนะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็พอก็เลยตั้งใจทําตอนที่พระอาจารย์แนะนําก็รู้สึกเลยว่าตั้งแต่ตอนที่ปีแรกๆที่อยู่เขาชีโอนะมันมันจริงที่เรียนพระอาจารย์ใจมันเปลี่ยนมันก็เราตั้งใจทําจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องอยากแล้วก็คือทําตลอดนะพระอาจารย์แต่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนนะะพระอาจารย์ไม่รู้จตรู้สึกว่าใจมันเปลี่ยนคือมันสงบร่มเย็นไปตลอดเลยพระอาจารย์แล้วก็ แล้วก็ที่พระอาจารย์ให้อุบายที่ไปให้ไปไ ว, วัดอยู่วัดยัี่ยให้ไปเป็นแจวเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์เพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราเป็นแจวเว็นดินอะไรยไมันอยู่ที่ไหนก็ได้พระอาจารย์เขาจะจัดอะไรกินอะไรก็อยู่ไปเขาจะให้กินอะไรกินไปใช่ใช่พระอาจารย์ <ừ> mm. จริงๆแนละ้วตอนนู้นนะคือไปอยู่วัดดีสารเนี่ยมันมีแบบว่าอะไรที่แบบเออแบบกินไม่ค่อยได้แต่ว่าเอ้ยพอพระเจอาให้เป็นแจว่ะมันกินได้หมดเลยนะพระอาจารย์แล้วก็คุกๆุกลงไปคือมันคือบอกว่าไม่ต้องบอกว่ามันเนื้ออะไรไม่ต้องบอก เราก็ตักว่ากิกนมันก็อยู่ได้ก็รู้สึกขอบคุณพระอาจารย์เลยค่ะใจมันสบายแล้วมันก็ทําให้ดูแลคุณพ่อด้ดีด้วยนะคะแล้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่ไม่มีวันพระวันธรรมดาก็เดี๋ยวไปหาพระอาจารย์วันวันธรรมดาไปชื่นสารางแล้วก็ไปเดือน<ช>ไปวัดคุมไปวัดอยู่ตลอดพระอาจารย์จะได้ไปเป็นแจวได้ดี ด, ดีพระค่ะคือรู้สึกดีมากแล้วก็เป็นคนรับใช้คุณพ่อไป <c oughs> อยาปเป็น <c oughs> <ช>คนคนควบคุม คุณพ่ออย่าไเป็นเจ้านายคุณพ่อดูกบางคนชอบเป็นเจ้านายพ่อแม่สั่งนู่นสั่งนี่ต้องทอํา<ไ> อ, ทอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้อืผิดนะ<ไ>ต้องถามจะทําอะไรต้องถามพ่อพ่อทํำไหมอาบน้ํำไห ม, มไม่อาบ ก, ก็แล้วไปเออพ่อต้องอาบน้ำนะไม่สัอยู่เรื่อยๆอย่าไม่สั่งพ่อทำแม่บาปกรรมเป็นลูก <c oughs> ตรงจุดนี้นะคะพรอาจารย์ต้องขอบพระคุณภาะอาจารย์มากๆเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะคงจะแบบว่าคุมหารทำนู่นทำนี้เดี๋ยวนี้คุณพ่อจะชอบมากกวตัวเองมากเลยค่ะคุณพ่อจะแบบชอบมาเพราะว่าเราเป็นคนรับใช้คือเราไม่สั่งค่ะพระอาจารย์คือต้องขอบคุณพระอาจารย์เลยว่าวิธีการดูแลคุณพ่อเนี่ยอแบบรู้สึกดีมากแล้วคุณพ่อก็จะแบบใจสว่างขึ้นขอบคุณพระอาจารย์มากๆคุณพ่อก็มีความสุขแล้วร่างกายคุณพ่อมีความสุขไม่ใช่ไหม ไม่ใช่อยากให้ท่านอยู่ไปนานๆแต่ทําให้ท่านทุกข์าต้องบีบบังคับให้ท่านกินมไอ้นั่นอันนี้กินไม่ได้อันนู่นอะไรวันเราจะตายอยู่แล้วไม่กี่ปีป่อยให้กินให้สบายไปเถอะอย่างนี้นก็ต า, กตายอยู่ดีจริงๆค่ะพระอาจารย์คุณพ่อมีความสุขมากเพราะว่าคือมันคือแบบเราก็แต่เราก็ไม่ได้อะไรนะคือเราทําของเราคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะรู้สึกว่าเรื่องอยบนีมานกับเราเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกอะ เอ้ยทําอะไรไม่ได้เลยตายดีกว่าตอนนั้นที่พระอาจารย์เทศอะจาได้เลยที่อาารบอกจริงๆด้วยะคุณพ่อจะมีความสุขแล้วก็ยอมมาที่จะเข้าวัดทําบุญเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกดีมันต้องชวนแต่อย่าไป บ, บังคับถ้าอยากจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ว่าอ <c oughs> ให้ใส่สมัครใจให่เขายินดีถ้าทําด้วยความยินดีต้องมีความสุขถ้าทําด้วยความถูก บ, บับงคับมันจะไม่มีความสุขอ ขอพระคุณค่ะอาจารย์ตั้งใจทำเพราะแก็เป็นผู้มีพระคุณกับลูกๆเป็นอย่างสูงรับใช้ดูแลท่านขนาดไหนก็บุญคุณก็ไม่มีวันน อ, อ น, นอกจากพาให้ท่านพ้นจากอบายเท่านั้นเองพาให้ท่านสงบจากพาให้ท่านสงบุจิต อ่าอย่างน้อยขั้นขั้นแรงนะคะพระอาจารย์ก็จะจะพ้นแต่ก็ไม่ได้คาดหวังนะพระอาจารย์คือทําให้ท่านทำเต็มที่ค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วพระอาจารย์เพราะตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าเลยอยาอยากตาบแทนบุญคุณให้ไป็นพระแล้วตอนนี้เข้าใจอย่างที่พระอาจารบอกคือเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่อย่าไปคาดหวังอะไรก็ทําเต็มที่ค่ะอืมดีนะทุกขอบพระคุณคะพะอาจารย์อืมคุณซาธลกาคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่าแล้วไปหมดแล้ว เหลือแต่พ่อค่ะอ่าพ่ออยู่ไกลไหมก็สิบกว่โลค่ะขับไปไปดูแลบ้างก็แบบไปค่ะเพราะว่าต้องจัดยาให้ทุกอาทิตย์ค่ะแล้วมีคนดูแลคุณพ่อป่าเอ่ออปาเขาจะชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าเขาก็อยู่กับพี่คนที่สองค่ะก็จะขับก็กับข้ากับข้าวแล้วค่ะแล้วก็ลูกก็คืออาทิตย์ละวันก็จะไป ก็จะขับไปหาแล้วก็พาวนเล่นค่ะแล้วก็พ่อมีนู่นกี่คนนะมีทั้งหมดสี่คนอ่ะอ่าไปดูแลกันพักันไปดูแลกันสลับสลับสลับอ่าค่ะค่ะไม่ใช่พ่อเลี้ยงลูกได้สี่คนแต่ลูกสี่คนเลงพ่อคนเดียวไม่ได้โอ้ไม่ไม่ไม่เขาปลื้มเขาปลื้มเขาปลื้มลูกเขาต้องแย่งกันดูแลนนะอย่าไปเปลี่ยนกัน ไม่ไม่เป็นกุศลก็บอกเขาว่าปาทําอยากทํำอะไรก็ทำสบายเลยก็ไม่ได้ห้ามอะไรอะค่ะก็ตอนแรกที่เข้ามาแรกๆ ก, ก็จะฟังว่าบางคนก็จะบอกว่าเออไม่อยากให้พ่อเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมแต่ลูกมีลูกอะก็จะซื้อให้เพราะพ่อเขาชอบเล่น <laughs> ลูกกัเลยตอนแรกลูกก็เข้ามาลูกก็เออเออแต่ว่ามันความสุขของเขาค่ะเพะลูกเจออย่างนั้กอย่าไปห้ามเขาลูกเจอถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปสนับสนุนเขาก็ก็ก็มันมันมันเด้งขึ้นมาว่าแหมชีแค่แบบลอตเตอรี่แปดใบเอาเงินไปทำอย่างอื่นย่อแยะพอแบบจะซื้อให้พ่อนี่ทำหัวอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาในหัวออะ แล้วก็เคยเราถามถามป้าปาบอกอปลาปลา ป, า, ป, า, ปาซื้อแบบป่วยอะปลาถูกมัางไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ ก, าากลัจับตาล่อมมาไม่ให้ซื้อไงแล้วลูกเห็นแบบจับหน้าเขาแดงกลายเป็นหน้าข่าวซีดลูกเลยรู้สึกว่าไม่ต้อ ง, งซื้อดีกว่าไปเข้าไปดีกว่าเนี <laughs> ่ยก็คือค อ, ค อ, อยากกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำเขาบอกว่า เลือดลมมันจะได้สูบขีนหน่อยเพราะเขาก็แก่ไปไหนไม่ค่อยได้เนี่ยนตก็ลูก<ช>ลูกกันเลยไม่เหม่ไม่เหมื อ, เมอนเงบะ้นอื่นหน่อยนะลูก ต, ตั้มใจตั้มใจเบก้าเป็นกรรมของใครของมันไปก็ก็ก็ขก็คือแล้วแต่ลูกไม่ค่อยขัดใครไปใครอยากทําอะไรก็ทํำดี่นะอย่าไปยุ่งเหมือนชาวบ้านเขาค่ะค่ะ ก็ <Okay. S 1> ปฏิบัติอยู่คะ่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะคุณลุกสาอันนี้ลุกสาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมาตรการค่ะลูกเขาเข้าห้องไปแล้วค่ะอืมมีอะไรไหมอ่าโยมตอนนี้ได้รับการทับทามจากพระอาจารย์ที่วัดสายสุวนรณรามที่ไอบัติโจสุครีมค่ะอาจารย์ ให้ไปสอนนักธรมตรีที่ลงที่วัดค่ะตอนเฉพาะวันเสาร์เอาเด็กนักเรียนของในตำบลอะค่ะมาสอนอมยมก็เอาแนวคิดของพระอาจารย์นะคะไปสอนแล้วก็บอกคุณครูเขาว่าในสัปดาห์หนึ่งเด็กเรียนเท่าไหร่เราลองเอาเทเด็กมาทำทุกวันอย่างที่อาจารย์คุยกับน้องในในซูมาค่ะว่า ให้ทําที่โรงเรียนทุกวันและลองทําดูเพราะว่าที่นั่นจะเป็นโรงเรียนมุสลิมแล้วก็ผสมกันกับเด็กไทยพุทธนะคะเด็กไทยพุทธเจอะแปสิกว่าคนก็บอกว่าทุกวันในขณะที่อีกศาสนาหนึ่งเขาปฏิบัติศาสนกิจลองให้เด็กๆมาสวดมนต์ในห้องพระดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่ว่าจะไปวิ่งเล่นกินขนมเล่นเนี่ยลองมาดูลองทำในขณะเพราะว่าโรงเรียนมุสลิมเขาก็จะไปละหมาดใช่ไหมคะทาศาสนาเขาแล้วก็เด็กไทยพุทธจะว่าง ยมก็ว่าลองเอาใช้เวลาช่วงนั้นไปทําดูค่ะก็สอนเข า, อ ย, าอย่าลืมสอนตัวเองด้วยก็แล้วกันนะใช่ค่ะสอนคนอื่นเดี๋ยวลืมสอนตัวเองครับพะแต่ว่าบางครั้งนะคะอาจารย์พอสอนเขามันสะท้อนกลับมาที่ตัวเราพอสอนไปปุ๊บเราก็ฉุกคิกอะค่ะแต่เด็กๆ เ, เขาก็น่ารักนะคะแต่ก็สอนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะว่ามันจะมีเป็นสองภาคคือทำวิชาศกับ พุทธประวัตินะคะมยมก็เอาในธรรมวิพาคแต่ว่ายังไม่ได้สอนทาแค่เรื่องของศีนเอาของสีนก่อนค่ะอาจารย์อืมค่ะก็ดีก็ระวังไว้คนที่สอนไปสอนมาแลเริ่มสอนตัวเองใช่ <laughs> ม, มันมันเหมือนกับว่าคำที่เราสอนไปมันก็จะเหมือนกับสอนตัวเราเองไปด้วยอะค่ะอาจารย์ ใช่แล้วมันคนละระดับกันทำคนลร ะ, ะดับกันใช่เรามาสอนระดับนั้นก็แสดงว่าเราก็ยังมีทํำไม่ค่อยมากคือพยายามไม่รู้จะสอนเริ่มต้นยังไงไงคะอาจารย์เพราะว่าเด็กเขาเป็นเด็กประถมอะค่ะอาจารย์ถ้าไม่รู้อย่ายไปสอนนี่ใช่ไหมแล้วยังต้อง ร, รู้ไปสอนกันทำไมคนไม่รู้สอนคนไม่รู้เดี๋ยมันก็ไม่รู้ได้กันทั้งคู่ ยมก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่ยมก็เลยเอาสอนง่ายๆก่อนนะคะก็เก็บอกบอกเราแบบนี้เขาบอกเข้ามากับที่บอกเราไม่รู้จะสอนยังไงเขาจบอ๋ออย่างงั้นนะคะอ่าก็ไม่รู้จริงๆเขาบอกก็ไม่รู้เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอยยมก็นึกถึงคำว่าไม่รู้อย่าไปสอนในสิ่งที่ไม่รู้ให้สอนตามที่เรารู้อย่างเงี้ยค่ะอืก็เลยเออบางทีก็สอนยากมันใจมันเอ๊จะสอนยังไงกับเด็กเอจะเอายังไง ประมาณนั้นแหละค่ะอาจารย์นั่นแ ะ, ะถ้าไม่รู้ก็อย่าสอนเดี๋ยวความไม่รู้ไปสอนยขาก็เพิ่งจะไปแค่สองสัปดาห์เองอะค่ะไปสอนแค่ยังไม่ได้สอนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวให้เขาสะท้อนความคิดของเขาออกมาก่อนนะคะยังไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่อันนี้เราไม่ไม่ได้เพียงแต่ให้สติให้เอาไปคิดเอาเองแล้วกันจารย์ยังไงก็ยัง ย, ย, ยังยังยังลำบากใจอยู่ค่ะว่าจะสอนยังไงเนี่เมื่อเราก็ไม่ชัดเจนแล้วเราจะไปสอนเขายังไงหรือประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์ยังคำของอาจารย์บอกถ้าไม่รู้อย่าไปสอนเออเอาไงดีหน้าอะไรแบบเนี้ยค่ะยังคิดอยู่ค่ะคิดต่อไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปก็อาจจะเรียนแบบนั้นนะคะว่าไม่มั่นใจแล้วไม่กล้าสอนเดี๋ยวมันจะผิดแบบนั้นให้ช่วยอย่างอื่นได้ะค่ะอย่างนี้ดีกว่า เพราะบางทีเราก็จะไปสอนธรรมเราเองก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของธรรมในธรรมวิภาคเราก็ยังไม่ชัดเจนและจะสอนยังไงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถูกดังค่ะสอนตอนก่อนแล้วใครสอนผู้อื่นค่ะไม่ได <Okay. S 2> สอนตอนเองไม่ได้ไปสอนคนอื่นได้ไงค่ะก็เลยรู้สึกเออเอาไงดีหนะ้จาจะปฏิเสธไปก็ ก็อลองลองไปก็ค่อนข้างจะอึดอัดใจอยู่ค่ะเพราะว่าจะไปสอนเด็กเด็กก็นั่งจองตาแป๋วเด็กป .4 ป .5 ไงคะเอ๊ะเอาไงดีนะก็แต่ว่าลองลองสนทนาเขาดูอาศีนเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างผิดศีนกี่ข้ออะไรแบบนี้ค่ะให้เขาดูอย่างนี้ค่ะอาะจารย์ยังก็อึดอัดค่ะบอกตรงว่าอึดอัดเอ๊ะจะสอนยังไงไมุจะสอนยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเลยค่ะคตัวเองเอาไม่รอดค่ะมีอะไรจะถามไหม ไม่มีราค่ะอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> สาธุค่ะคุณหมอใช่คุณหมอหรุอ่นเลี้ยงผมนะครับพระอาจารย์ครับมีอะไรคุณหมอมีอะไรไหมโอ้ก็มารยายงานของพ่อครับประสบการณ์บ้านครับคือ สัปตาห์ที่ผ่านมาครับผมก็ผมก็เหมือนกับที่ผู้สำเร็จที่หลวงพ่อบอกว่ารักษาศีลให้ให้ใกล้เคียงศีลแปดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมผมก็พยายา ม, มครับหลวงพ่อแต่จะมีข้อที่ทําไม่ได้ก็จะมีเรื่อง่านมื้อเย็นนะครับเพราะว่าบางทีจะมีหิวบ้างอะไรบ้างแต่ก็ลดปริมาณลงครับส่วนเร<ม>ื<ม>่องอื่นๆเนี่ยเรื่องการ สวดมนต์เรื่องการทำสมาธิทำเพิ่มขึ้นครับทำทำเพียงทำเหมือนเดิมแต่ทำเพิ่มขึ้นเช่นออตั้งแต่เช้าลุกขึ้นมาก็พุทโทนว่าสวดมนต์แล้วก็มีสตินะครับหลวงพ่อเรื่องสติเนี่ยปฏิบัติได้ต่อเรื่องเรื่องแล้วก็อาศัยการสวดมนต์แต่ว่านั่งสมาธิเนะี่ยผมเริ่มนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วครับผมก็ mm hmm. วันหนึ่งมีบางวันได้ชั่วโมงหนึ่งสองครั้ครับผลวง สองรอบทีเนี้ยจากเดิมที่เป็นแค่ความสบายใจมันก็เพิ่มมากขึ้นครับหลวงพ่อเช่นมันมีช่วงที่แบบเหมือนเราวูบแตกคหลวงพ่อแับเหมือนมันอยู่ๆมันมันมันอยู่ๆมันแบบมันไม่ถึงขนาดว่าอที่หลวงพ่อบอกว่าตกตกตึกตกอะไรนะครับแต่นี้มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบตกแต่เก้าอี้เท่นะ้ครับหลวงพ่อเหมือนกันนิดอ่เดียดครับแค่ขั้นมันไดครับหลวงพ่อก็ราะว่าน่าจะ ก็สัปดาห์ น, นี้ได้เพิ่มมาตรงนี้รครับหลวงพ่อเออไม่มีสติด่าไปเวลามันตอบก็ให้รู้เฉยๆครับไม่ไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจครับเพราะว่าพอพอไปไปตื่นเต้นดีใจปุ๊บมันก็กลับมาเลยครับหลวงพ่ออืมก็เป็นเหมือนเดิมครับในพุทโธ ต, ต่อไปนั้นดูลมต่อไปครับครับอืต้องก็จะพยายามเดี๋ยวจะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลวงพ่อ เป็นการนั่งนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยครับผมก็จะนั่งให้ได้มากปริมาณมากขึ้นแล้วก็ได้จํานวนขังนี้มากขึ้นครับตอนนี้พอข้อดีคือตอนที่มาสาธิสินให้ให้ให้ใกล้สินแปะหละครับก็เลยทําให้อกิจรกรรมอื่นๆลดไปครับพอ่อลดไปเยอะเลยเช่นการดูโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์เราก็ไม่ดูแล้วก็ถ้าเราต้องติดตามข่าวสารก็ใช้อ่านเปิดอ่านแป๊บหนึ่งครับ อ่าที่เวทนาดานก็ได้หมดลนะละครก็ไม่ดูครับหลงพ่อแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆครับอ่ครับผมก็กิจกรรมทางกา ร, รทางรูปเสียงกินต้์ให้มากที่สุดเท่าที่ยังให้มากที่สุดครับหลวงพ่อกิจกรรมอะไรที่แบบทาให้ต้องไปไปยุ่งนะครับยุ่งกับไอ้เรื่องช่างคกนโอเคกันครับ ค, กกครับ ก็จะน้อยลงแล้วเราก็ไปไปคุยคนอื่นพูดเท่าที่จําเป็นเอาเวามาเอาเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิได้กว่าใช่ครับผมก็กลางวันเวลาอยู่อยู่ที่ทํางานถ้าไม่มีประชุมไม่มีอะไรอะนะครับผมก็บิดห้องนั่งสมาธิครับอ่านี่ครับครับต้องแต่ครับหลวงพ่อจต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเองใช่ไหมครับถ้าทําเราเอาเพียรขึ้นเรื่อยๆถ้ามันต้องทาให้มันถูกด้วยหรือให้มันสติ ครับต้าทำแบบใจลอยมันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ได้ครับหลวงพอ่อก็ตอนที่นั่งสมาธินเนี่ยมันก็ถึงจุดที่ว่าแบบเราไม่คิดอะไรได้นะครับหลวงพอ่อก็แรกกระพุทโธตอนแรกกรสุดสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสุดท้ายกรับอ่าแล้วต่ลมหายใจเพราะจะลมหายใจมันก็หายไปเลย น, นะครับหลวงพ่อมันก็เป็นสบายสบายสบายสบายไปเรื่อยๆครับครับแต่ไม่ได้คิดอะไรนะครับหลวงพ่อผมก็ไม่ได้คิด ให้รู้เฉยๆสักว่ารูกไปครับครับเดี๋ยวจะพยายามสำคัญเนี่ยทาให้เพิ่มขึ้นแล้วจะทำแนวทางที่หลวงพ่อแนะนำนะครับหลวงพ่อแคบอกว่ามีสติสมาธิรักษาไว้ตลอดครับถูกต้องดีมากครับหลวงพ่อครับครับหลวงพ่อทักันแข็งแรงนะครับน่อความพยายามยีหนกความสำเร็จนั่นนะครับไปที่อุดรนิคมน น้าการทำมาสักการครับอาจารย์ดูไม่มีคําถามต่อค่ะเอาเงิไปเชียงรายต่อคุณเอกมสการพระอาจารย์ครับผมเป็ยังถามก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับไม่ได้ถามแต่อยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไม่ไม่ถอยหลังสิ่งที่ครับผมพระอาจารย์ก็ยังดี ยังดีก็ยังดีก็ถอยหลังนะอย่ไหมถ้าไม่กล้าหน้าก็อย่าถอยหลังก็เช้าก็อยู่ก็เป็นบัตรเหมือนเดิมเครับอาจารย์ก็ลมหายไม่มีกายกายเบามีกาก็อยู่นี้ไปตามอาจารย์ทำให้ร yeah> anyway> claro> oh ู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปมันก็สุกอยู่ในลึกๆเดี๋ยวครับอาจารย์ครับเอังจากสมาธิการพิจารณาตายรักนะนนี้จังวัตตร่างกายกายแกเจ็บตาย ทรัพ ส, สมั atra ่ของเงินทองก็มีจำนวนมากมีเสื่อมเป็นธรรมดาครับผมน่ายศสนเสริญ อ, อ่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ข้ามูลกุศลไปดีกว่าครับผมก็ก็มีเอ่ครั้งไม่ได้เข้าสูมก็นั่งฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์อืก็ฟังไม่ไม่เปลี่ยนท่าครัะอาจารย์มันก็เกิดความเจ็บเจ็บที่หวัวเขา่าที่ขาครับอาจารย์ อืแตล้วกทหายไปไปไปยุ่งกนเจ็บที่ไหล่ก็หายไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่าไปอยากถ้าไม่อยากแล้วก็ใจจะไม่ทุกข์ครับผมไม่ไม่ได้ทุกข์กับมันไออาการนี้มันเกิดขึ้นครับอาจารย์มันมันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยมันมันใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอยู่ที่ว่าเราประยุ่งอะครับมันหรือเปล่า ถ้ามันยุ่งกับมันใจเราก็จะไม่ทุกมันมีทุกข์สองแบบทุกข์ใจกับทุกข์กายไงทุกข์กายนี่แล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปครับทุกข์ใจเกิดขึ้นจากความอยากให้ทุกข์กายหายไปอยากไปอยากให้มันหายไปมันมันยังไม่หายก็ปล่อยมันอยู่ไปครัับบครแล้วทุกข์ใจก็ยังไม่เกิดก็จะปฏิบันนี้เพื่อดับความทุกข์ทุกทางใจ ทุกสังการเราดับมันไม่ได้เดี๋ยวมันดับของมันเองถึงเวลามันก็ดับของมันเองครับเอาเอาใจเป็นตั้งไว้เป็นที่ตั้งไว้ว่าเอมันทุกข์ใจหรือไม่อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็โอนกระายกระซับกระส่ายทุกเมื่อเวลามันเจ็บมันอยู่ไม่เป็นปกติหรือเปล่าครับมันต้องเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเจ็บก็ป่อยมันเจ็บไปับ ครับผมโอเคครับ <Okay. S 2> ผมขอบคุณพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ถ้าันแข็งแรงครับผมไปที่น้องอ้อมตอนน้องออวินใช่ไหมันออกมาแล้วนัศการคะ่ะยันอยู่ที่บอาวินอยู่ใช่คะ่ะอืมบ้านเดิมอยู่ที่ไ่นนะใช่ค่ะอืมบ้านเดิมอยู่ที่ไหนอะไรนะคะบ้านเดิมหนูอยูอย่ที่ อ, อ, อยูุ่บลค่ะพระอาจารย์อ อยู่ที่นี่นานหรือยัอืมแปดเก้าปีค่ะเก้าปีค่ะพ่าจันอือก็รู้จักพ่อาจารย์เมื่อห้าปีที่แล้วเออรู้จักรู้จักได้ยังไงเออไปทําบุญค่ะทําบุญที่วัดยาเนี่ยเลยใช่ค่ะแล้วก็เอาหนังสือเปิดใจเปิดธรรมมามาอ่านแล้วก็สนใจเลยแล้วก็ฟังธรรมของพร่อาจารย์ตลอดค่ะอือก็ สร้างใจพอาจารย์บอกว่าสร้างใจให้ศักดิ์สิทธิ์ก็อดีขึ้นเยอะเลยจากแต่ก่อนที่แบบว่าปิวง่ายปิวว่อนแบบไม่มีหลักอ่ะค่ะตอนนี้ก็คิดว่าคิดเอาเองนะคะอาจารย์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ความคงความกลัวก็หายไปเกือบหมดแล้วนะค่ะก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะค่ะว่าอาจารย์อ่าดีมากก็ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณพระพุทธเจ้านะ แต่ก่อนเคยอ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวค่ะแต่อ่านไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่พอได้แบบได้มาฟังคำผ้าจารย์แล้วกลับไปอ่านเออ่แล้วเข้าใจค่ะใช่คต้องมาเจอผ้าจารยนก่อนต้องเจอติวเตอร์ก่อนเนะใช่ค่ะติวเตอร์จะช่วยอธิบายให้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ค่ะก็เลยเกาะผ้าจาย์ตลอดเลย <hearing S 2> ต่อเอาความรู้อ่า <laughs> ดีริ้วแฟนเริ่มสนใจบ้างไหมยัง <laughs> แฟนก็แฟนก็ทําด้วยคะ่ะแต่เขายังไม่นั่งสมาธิคะ่ะแต่ก็ฟั ง, ฟงทําด้วยตลอดคะอ่ะอ่าตอนนี้ก็ฟังอยู่ค่ะค่ะฟังคะ่ะโอเคดีต่อ <laughs> ไปก็อาจจะนั่งด้วยกันก็นได้นะค่ะ <laughs> สาธุค่ะอาจารย์โอเคค่ะ มันก็ค่อยๆพัฒนาไปขคนเราค่ะเขาเห็นเราดีขึ้นเขาก็คงอยากดีขึ้นตามะคะา่ะดีดนี้ไม่ค่อยวีนเท่าไหร่นะ่ไม่ค่อยงอนเท่ไหร่เลยไม่ไม่ค่อยคะอ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือพอดีฟังธรรมพระอาจารย์ทั้งสองคนแล้วเวลา เถียงกันไม่ใช่เถียงกันหราคะ่ะเวลามีอะไรเงี้ยก็จะต่างคนต่างเอาทํามผ้าอาจารย์มาสอนอก็แล้เออผ้าอาจารย์ไม่ได้สอนแบบนี้นี่นาทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือจําจําคําของผ้าอาจารย์ได้ทั้งสองคนนะคะเอ่ามีค่ะโอเคมีอะไรจะถามไหมคืนนี้ไม่มีคะ่ะมากาบคะ่ะโอเคสาธุค่ะขอบพระคุณคะ่ะอ่าไปดีวคุณอะไรเนี้ยลักซมเบิกเออคุณปุย้ยลักษมเบิก ถานมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงวะค่ะเป็ น, ปนงไงบ้างเป็นยังไงบ้างคุณปุ้ยอ่ะปฏิบัติมาดีมาสี่ห้าวันเลยพอวันเนี้ <c oughs> ปุ้ยตื่นสายเพื่อจะ <c oughs> ตื่นสายอะ่ะแบบเออเดี๋ยวเอาใหม่คือวันนี้เริ่มใหม่แต่ว่าถามว่าสงบไหม โยมก็สงบมาเยอะเลยตั้งแต่อยู่กับพระอาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่ถือศีลแปดมาสามปีโยมรู้จักพระอาจารย์มาเหมือนกับน้องคนนั้นนะห้าปีกว่านะคะแล้วโยมก็มาแต่สินใจถือศีลแปดมาสามปีโยมก็รู้สึกว่ามันดีถึงเราจะไม่ไปติดต่อกอับชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ว่ามันสงบไงมันสงบแล้วมันรู้สึกว่าเป็นโวยกคุณสารการเปิดเปิดเป็นมาให้รคุณสารการ ยอมรู้สึกว่ามันสงบมากแล้วก็เรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นในทุกทุกบ้านนะค่ะแล้วก็ยังอยากจะเดินทางธรรมเนี่ยตลอดไปแบบว่าเราไม่จาเป็นต้องรวยแต่ว่าเรามีความสุขเราก็มีมันมันมันมันมันอธิบายไม่ถูกพระอาจารย์เออมันยอมรู้สึกว่ารถแนงธรรมชนะรถทั้งปวง ความสุ ข, ของธรรมาั น, นี้เหนือกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงแล้วมันเกิดสติปัญญาจริงๆอย่างที่พระอาจารย์เทศนะคะคือพอเราสงบปุ๊บอารมณ์เราเย็นเพราะเราเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก่อนอารมณ์อารมณ์เราเย็นขึ้นทีนี้เรามีสติมากขึ้นเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเรารู้เรารู้จากแบบคิดก่อนจะพูดคิดก่อนจะทำเนี่ยคะ่ะมันสำคัญมากนะะ โยมก็เลยอธิษฐานตัวเองอธิษฐานจิตว่าโยมจะขอเดินทางธรรมตลอดไปและตลอดกาลค่ะอ ย, อยู่กับพระอาจารย์เนี่แหละฮะไม่ไปไหนแล้วด <laughs> กวีกลัวกไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องกลัว <laughs> ถ้าทำบุญไม่ทำบาปแล้วประกันได้ขึแ น, น, น่แน่โยมบอกทุกวันเลยขอยย่าโยมทำบาปเลยแบบมีเรื่องต้นนะครับพระอาจารย์มันมีแตไอ้ลูกเนี่ยที่มันเป็นห่วงเนี่ย เด็กมันยิ่งโตมันมันยิง่งแบบเหมือนกับตัวเล็กปัญหาเล็กตัวโตปัญหาโตอย่างเงีย้ยค่ะแล้วเรื่องของมันเนี่ยเราเอย่าไปเป็นมีปัญหากับเขาก็แล้วกันเขาจะมีปัญหากับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นแบบอายุจะเยอะแล้วแบบเอก็ปล่อยปล่อยเขาไปบ้างให้เขารู้จักคิดบ้างอืโยนแต่มันเอาสวดมนเอาสวดเอามนเอาภาวนาช่วยเขาเราเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอก เขาเป็นส้มเนาบอกเขาเป็นซ่อมไปอย่าไปอยาให้เขาเป็นกล้วยจริงค่ะเพราะว่าถ้าเราไปผักดันเขามากๆคือคือเขาจะโกนเราอีกเขาจะโกนราอีกเดี๋ยวเขาก็มาโกนเราอีกแล้วเด็กวัยร eh> hey, well. ุ่นที่นี่มันไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นบ้านเราอ่ะอาจารย์เขาไม่ค่อยมีศาสนาทางนู้นเขาไม่ถือเขาหาว่าศาสนาเป็นของงมงายจริงๆค่ะจริงเรื่องนี้เรื่องจริงเลยแล้วเขเขาบอกว่าไปเข้าทําไมบทเอาบออ้าวโอ้เราก็ตกใจแบบ คือคือสมัยเราตอนเด็กๆนี่เราเสียงพ่อแม่ไม่เป็นนะเราอธิบายเป็นสมัยนี้เด็กทุกคนเลยมันนั่งอธิบายพ่อแม่ปะเยเ<ง>ด็กสมัยนี้เก่งกับพ่อแม่ฉลาดก่บพ่อแม่มันคิดว่าฉลาดกว่าแต่ไม่รู้ว่าใครเลี้ยงมันมาถ้ามึงฉลาดจริงถ้ามันต้องให้กูเลี้ยงมึงด้วยนะมึงแล้วยิ่งไปอยู่กับไอ้ถิ่นเจอมันด้วยแล้วโอ้โหอืถิ่นนู้นเขาไม่เหมือนแถวนี้บ้านเราอะ โอ้โหมันพูดจาอะไรกันก็ไม่รู้อะแต่เขาก็ไม่ได้มาพูดกับเรานะแตเ่เราเราเห็นเขาพูดคําใหญ่อย่างเงี้ยเราบอกไม่ดีนะเธอนะคานี้คําใหญ่นะเออเราก็คอยเตือนแต่ว่าไม่ไม่บออ่อยครั้งอนะ่ะแต่เราก็หวังว่าเขาอืฮะมีอะไรไหมมีค่ะโยมจะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็โยมดีใจมากเลยโยมนะ่ได้ไปทําบุญกับหลวงตามหาบัวเพราะวันเกิดหลวงตา เมื่อวานนี้ค่ะนี่ค่ะโยมก็น้อมถวายทุกบุญทุกบารมีกับพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณค่ะเจาขอให้ขอให้บุญกุศลเนี่สขอให้ขึ้นปุ้ยไปสวรรค์ต่อนะอันนี้ไงขอบคุณเจ้าค่ะนี่ค่ะขอให้พระอาจารย์ขัแข็งแรงเจ้าค่ะขอให้นำรวยขึ้นะสาธุเจ้าค่ะอ่าคุณยินดีตอคุณยินดีนิวยอร์ก ลูกค่ะท่านอาจารย์ลูไม่มีลูไม่มีคําถามค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเดวิดฝากกล่าวท่านอาจารย์ลูกก็เข้ามากลาบกันทั้งสองคนแล้วก็บอลสองเตะท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะใช่ค<ะ>่ะทอรย์ขอบคุณมากก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ ะ, อะโอเคเดินไปที่คุณโอพีเคูเกตนานๆเข้ามาทีเดียวนี้ ให้ทำอะไรมาเอ่ยไม่ว่ากิจทะมีเข้าไม่ได้มนจะออาจ า, า, จาแล้วก็เจอเข้าสอบสอบตกเลยเจ้าสาอาจารย์สตกก็ทำไมสอบตไว้เกินนะอาจารย์มันสู้เรื่องอารมณ์มีความติดอารนี้แล้วก็บ้างรจะสาอาจารย์รู้สึกว่ามันจะผ่อนแล้วก็รู้สวาโอเคมากเลยะสาอาจารย์ มันไม่ค่อยมีความขึ้นแผลหรือว่าหนักแน่นอะอยี้ลองพยายามฝึกสติบ่อยๆพุทโธบ่อยๆ ท, บบยยทีนี้ก็ควรจะพยายามจะกลับมาฝึกนั่ง น, นิ่งจิตจิตจัพยายามนั่งสมาธิทุกวันทำให้เป็นนิสัย อ, อันนี้ก็ลองต่ อ, ตอสู้กับเวทนากจ้าาอาจารย์ลองลอ ง, ลอ ง, ลองยึดคบสอนอาจารย์ดยว่า พอเจ็บแล้วปกติลกก็จะพยายานอยู่สักพักหนึ่งใชมจักะอาจารย์แล้วก็จะพยายานไปพอไม่ได้ไม่ไหวคิดว่าจะเปลี่ยนนงี้จะค่ะวันนี้ลองขยับไปทีละหน่อยเจ้าของสอนอาจารย์ว่าเอ๊ะเสร็จพอแล้วเราอินสไตน์ในคือรัอินสอตน์ใซีอะไรอย่างเี้ก็้ะค่ะอาจารย์ก็ใช้ไฟเพื่อใช้ไฟจางหนูก็แบบนูก็เลยลองลองเพิ่มไปทีละนิดเป็นเป็นชั่วโมงเนี่ยจะถามอาจารย์อยู่กับลองลองอยู่กับความกดดีพอเขาชั่วโมงกุ๊เดี๋ยวก็ว่า ครับสาววิจัยก็เรียนอยู่เอาเคื่องอีกหน่อยนึงอันนี้ก็ขาดภัยการที่มันก็มีความเจ็บอยู่จ้ะค่ะแต่เหมือนก็ว่าลองลองใช้สังติเ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดี๋ยวอันนี้ก็จะอยู่ลองไปเรืกก่อยๆจนจนผ่านไปอีกชั่วโมงจะขาดภัยการแต่มันจะมีระหว่างนั้นที่บอกว่าบางทีทําไมหนูรู้สึกว่าความเจ็บมนันจะหายไปเป็นพักๆถึงขาดภัยการบางทีก็อยู่กับคำบริกรรมบ้างบางทีก็เหมือนไม่มีคำบริกรรมจ้ะค่ะ มันก็อ่านิจังมันก็จะดำๆไปๆมากๆจะผังเอ๊ะเพื่อนหลับหรือเปล่าอะยเลยจะผังอะไรกันก็จะหลับบ้างก็ได้ถ้าถ้าไม่รู้ไม่มีสติก็แสดงว่าหลับนะเพราะว่าวัที่เหมือนมันหายความเจ็บก็มันก็ไม่รู้สึกอะไรอย่าเงี้ย่ะผังอะรกัเวลาหลับมัญหายหมดเลยความเจ็บความเจ็บสตกสติหายหมดเลยน่คะ ไม่จังแต่ว่าไม่เป็นเวลาหนูฟังธรรมค่ะคุณทายทเวลาเวลาปวดเนี่ยเมันคิดว่าเวลาฟังธรรมไปด้วยแล้วเยู่กับความเจ็บได้เลยจ้ะคมอืมเพราะเรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไหมเงี้ยเรามีเสียงธรรมยึดเหนี่ยวไหมใจเราเลยไม่ไปยุ่งกับความเจ็บไม่ได้ไปอยากให้มันหายมันก็เลยใจก็เลยไม่ทุกข์เงแต่ถ้าเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเนี่ยพอเจอความเจ็บก็อยากให้มันหาย พออย่างแล้วมันก็ยิ่งทให้ใจเครียดขึ้นมาใจทรมารดขึ้นมามีอะไรแต่ <จะ S 2> อยาง <ทำ S 2> อย่างวันนี้ทคืออย่างอย่างวันนี้คที่หนูทนมาจนถึงครบชั่วโมงแล้วก็ผ่านสี่ชั่วโมงหนึ่งเลยแล้วความเจ็บมันยังไม่หายเวศชศาสตร์พยาบาลเก็เลยอพอแ่นีก่อนล้นานนงเลยคะเีห่หนูควรจะจะคนต่ออีกหน่อยในเวศชศสตร์พยาเราก็แค่อยู่กับมันให้ได้ อย่าไปรังเกียดมันความหมายก็คือเราจะต้องยอมรับมันให้ได้ตอนนี้เรายัางไม่ยอมรับมันเวลามันมาก็อยากจะหนีที่อยากย้ายมันหายไปเราต้องไปจุดจุดที่ว่าไปเข้ามาไปเข้าไปเองไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ตอนนั้นต้องถึงขั้นปัญญาแล้ปัญญาพิจารณาวนนนาา่าเป็นอนัตตาเขาเป็นเนื้อดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ เวทนาเราก็ไปสั่งให้มันเป็นแต่สุขอย่างเดียวไม่นนได้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรมาก็ปล่อยมันมาอะไรจะไปก็ปล่อยมันไปเัรนะฉนั้นขั้นปัญญา<อ>ขั้นขั้นสติก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับอะไรเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจไปวันก็อจาไม่ไปยุ่งกับวันแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่พอไม่มีสติเมื่อไหร่ก็เพราะมันก็จะไปะยุ่งทันที ประจัดการท่านนี้อาจารย์ไหมโอเคอ่าถืออ่าคุณมาลิกาเป็นยังไงกลับนมัสกัดเจ้าป้าอาจารย์ก็เข้ามาร่วมฝังธรรมแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติลูกก็ปฏิบัติอยู่นะคะอาจารย์ก็ก็นําเอา การใช้สติมาควบคุมในการกดำดังนินชีวิตนะคะพรอาจารย์บางครั้งก็มันก็ได้ผลตอนที่ว่าเรามีสติแต่บางครั้งเราก็ขาดสติดังนั้นเราก็มันก็ลุมลุกขึ้นขาดอีกนะคะพรอาจารย์พยายามตเตืินสติบ่อยๆให้มันเป็นสัมป ช, ชัญญะให้มันต่อเนื่อง ใ, ให้มันไม่หายครพะอาจารย์ก็อย่างไ้อยก็ ตอนนี้ก็ยังดูแลพ่ออยู่ก็อย่างน้อยก็เด้ฝึกให้พ่อได้สวดมนต์ได้ไหว้ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าในระดับหนึ่งที่ทําให้เรามีมกําลังใจที่ถือว่าพ่ออายุเก้สิบแล้เวเราขนาดนี้เราก็ต้องเราก็ต้องไม่ได้อยู่กับที่อะไรประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็าาคือหมายถึงว่าการปฏิบัติของเราต้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าจะมีเวลา น้อยก็เราก็พยายามที่จะทำํำจะก็ทำได้ทันอืมนี่โอเคสาธุไปที่โกเบคุณจุ๊บจุ๊บโกเบเป็นยังไงมีอะไรไหมรัการพะอาจารย์เจ้าค่ะอาทิตย์นี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะกะหนก็ยังปฏิบัติสม่าเสมออยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอะไรบ้างะ ปฏิบัติก็คือวันหนึ่งก็พยายามนั่งสมาธิให้เวลารวมนั่งสมาธิเดินจงกรมเวลารวมให้ได้อย่างต่ำสองชั่วโมงเจ้าค่ะแต่ก็ไม่เคยกเกินเจ้าค่ะพระอาจารย์ทุกวันเลยนะทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนเช้าจาบตอนเย็นเจ้าค่ะเดินสลับกันเดินนั่งสลับกันก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดนะคะว่าจะต้องแบบเดิน สามสิบนาทีแล้วนั่งสามสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะก็บางทบางีบางวันก็เดินนานกว่าบางวันก็นั่งสั้นกว่าอย่างเงี้ย เ, จ, เ, เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่จะทําตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเจ้าค่ะอ่าดีารู้สึกไงบ้างดีไหมจิตใจก็ดีค่ะมันมันนิ่งขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจอเจออะไรปททดสอบขึ้นมาก็ก็เหมือนมันก็มีสติเข้าทันบ้างเจ้าค่ะตัดนั้นได้เร็วขึ้นนะเจ้าค่ะ ทำอย่าี้มานานแลยังหนูทําอย่างนี้ก็ถ้าถ้าสมมุติจะทําแบบยึดว่าจะให้ไม่เกินอ่าให้ให้ให้เกินสองไอใ ห, ให้อย่างต่ำสองชั่วโมงเนี้ยก็คือเริ่มตอนเข้าพรรษาเจ้าคะ่ะอาจารย์อไม่าเรื่องของพรรษานี่อนะค่ะแต่ถ้าสมมติเมื่อก่อนนี่ก็คือก็ทําอยู่อ่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำ ต, ตามสบายทำ ต, ตามสบายตามกลุ่ ม, มเข้าไปใช่ไหมคะ่ะบางที อันนี้ก็มีกำหนดนะเขี่ยวแขนมันหน่อยอ๋อก็เหมือนเหมือนหนูได้ยินจากไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าพอเข้าพรรษานี้ก็ให้ตั้งใจทำอะไรให้พิเศษขึ้นมาอย่างาาเงี้ยจ้ะค่ะออพรรษาจะทำต่อหรือว่จะกลับไปเหมือนเดิม ยังไม่แน่ใจเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยว ด, ดูก่อนเจ้าค่ะแต่ว่า<ถ>ตอนนี้ก็คือถือสินแปลนี่คืออาหารบางทีหนูตื่นไม่หนูไม่ใช่ตื่นไม่ทนันคื อ, อยังไงอ่ะคือหนูต้องดูแลดูแลดูแลคนป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกในบ้านบางทีหนูตื่นเช้ามาทานอาหารเช้าไม่ทนันจะทานทีก็สิบโมงไปแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วหนูก็เซ็ตไว้ว่าเออในพรรษาเนี้ยเราจะ จะให้ถึงบ่ายสองบ่ายสองที่นี่นะคะบ่ายสองแล้วหลังบ่ายสองนี้ก็เสื้อไม่ทานเลยแล้วบางตอนนี้ค่ะมันมีปัญหาคือบางทีเราทานแล้วสิบโมงแล้วพอถึงบ่ายสองปุ๊บนี่เรายังอิ่มอยู่เลยมันก็เลยไม่ได้ทานอะไรต่อค่ะไกลเป็นว่าทานวันละมื้อไปอย่างี้ก็อย่าไปทานมันก็ได้ถ้ามันไม่หิวก็อย่าไปกินมันกินเพื่อยู่ได้อืได้ไม่ตายมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้ดีเลยไม่ง่วงนอนไม่ขี้เกียจ แล้วค่ะจตอนแรกก็แบบโอ๊ยตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยบ่ายโมงแล้วอีกอีกไม่กี่นาทีจะบ่ายสองแล้วเรายังอิ่มอยเลยจะให้กินอะไรยัดเข้าไปอีกได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คิดว่าเออไม่ไม่ลองกินอีกแล้วไม่ชอบกินเลยเจค่ะดีก็มีตามเนี้ยเจ้าค่ะพรอาจารย์โอเคเสื้อสีแปดเดินดยกรมนัสวาสที่เวลาสองชั่วโมงนะแล้วก็ ที่หนูเคยบอกพระอาจารย์ไปค่ะว่าอ่านหนังสือของคุณหลานะคะแต่ว่าของหนู <collide. S 1> หนูไม่ได้เป็นหนังสือมาหนูอ่านทางออนไลน์คะ่ะทางทา <Balance. S 1> งเอเอหนังสือทางทางอีบุก๊กอะค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะใช้ได้ใช้ได้ <c scalable> ไดคะ่ะตอนแรกที่หนูเคยบอกพระอาจารย์ไปว่าจะอ่านวันละสองหน้าปรากฏว่าพออ่านแล้วมันติดอะค่ะพระอาจารย์มันคือมันมัน <None. S 1> มันเหมือนแบบว่า มันติดจะต้องพยายามอ่านให้จนจบจนจบบทเลยนะคะท่าอ่านแล้วมันทั้การไปเลยค่ะทั้งกันไปเลยเพราะอ่านแล้วก็โอ้มีแน่าละที่พระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าสมัยอยู่บ้านตาแล้วถ้าได้ไปฟังฟังธรรมของหลวงหอวอพระอาจารย์มหาบัวแล้วจะรู้สึกมีมีจริงมีใจมีกําลังมีกําลังขึ้นมาพอไปได้อ่านมันมีกําลังขึ้นจริงๆริงนะเจ้าค่ะแบบมันอืม มันดีมากเลยเจ้าค่ะห น, ห น, าานูไม่ดาวน์โหลดจากที่ไหนหนูดาวน์โหลดก็ของไอ้หน้าหน้าหน้าเพจของพระอาจารย์มีนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กค่ะหนูดาวน์โหลดนั้นตรงนั้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้ว่าในในในในเว็บเพจของเราก็มีพระสุชาติถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดก็แหดาวน์โหลดได้ หนูเอาไปหนูดาวโหลดจากตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ออยู่ที่ไหนนีนโลกก็ก็ดูได้ดีจังเลยเจ้าค่ะพรอาจารย์ที่ทําแบบนี้ใช่ดูที่ไอแพดดูใช้หนูใช้นี่มือถือหนูนี่ล่ะสิค่ะพรอาจารย์เพราะตอนแรกหนูหนูลองโหลดในในขอโทษนะคะในอันเนี้ยค่ะอ่าเป็นอันนี้ของหนูมันมันโหลดไม่ได้มันโหลดได้แต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูโหลดในแบบนี้ของหนูแต่ว่าพอโหลดแล้วมัน มันเหมือนมันไม่เปิดเนี่มันมันแปลกๆคะ่ะหนูก็เลยดูในในในมือถือหนูค่ะ<ม>อาจารย์แทนได<ม>้ก็นีดูมือถสะดวกนี่ก็สะดวกดีคะ่ะก็ออดทนเาอาต้องะคะอยเล่นมันอยู่เรื่ อ, อยๆค่ต้องคอยเลื่อนอยู่เรื่ อ, อยๆจนต้องแบบต้องหยอดตาต้องมีหยอดตาด้วยค่ะพอดีดูอ่านไปเยอะๆแล้วมัน ม, มันแบบเหมือนแสบตาเนอะใช่คำมันแสบตามตามมันล้าจ้ะค่ะพระอาจารย์แต่ก็ดีค่ะพระอาจารย์แล้วติดเจ้าค่ะต้องให้จบกันอช่วยแยร์หน่อยเพื่อ <c oughs> คนที่ยังไม่ได้อา่านไดอยากจะอ่านกันขึ้นมาอมือ่านและได้กําลังใจในการปฏิบัติ ด, ดีขึ้นมากๆเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเว่าท่านท่านเทศสอนคนที่เป็นโรคมะเร็งได้มากเลยคุณ แล้วแล่วหกเดือนเนี่ยเราไปอยู่ที่วัดทางประเทศไทสอนทุกคืนเลยเจ้าค่ะเป็นอสอนเกี่ยววิธีปฏิบัติปล่อยวางร่างกายกับเวทนาเจ้าค่ะยุเทศสอนพลาคนรักต่านประเทศสอนพลาในคนระเล่นกันเนี่ยค<ช>่ะอันนั้นเสจเลย<ช>เป็นชื่อเตมอ็มพร้อมันังสือเตมอ็มพร้อม็นเอกสาร สอนคนที่เป็นไข้เป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายอืมจ้ะค่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะดีกันทอย่างไว้อ่านอันนี้จบแลยวหนูจะลองไปหาดูจ้าค่ะหนูเมคไปเสียจหนังสือเต็มควอมดูธรรมะชุดเตรียมความเนี่ยเพราวันนี้ก็มีเท่านี้สะค่ะพัดโอเคพยายามทําไปเรื่อยๆถ้าอ่านพรรษาแล้วถ้าทําต่อได้ก็ทําต่อไปอย่าไปยึดยึดติกับพรรษา <Okay. S 2> อันไหนที่มันดีอย่าไปยกเลิกอันไหนที่ไม่ดียกเลิกอันไหนดีควรจะทําต่อะไม่ใช่มาอ้างว่าเอาหมดหมดหมดเวลาแล้วอย่างนี้เป็นกิเลสอ้างะถ้าเป <Yeah. S 2> ็นทํามแล้อันไหนดีก็ทําต่อไป <Okay. S 2> อืดีสาธุกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณค่ะคุณที่นาคุณนาวินเนี่ยนาเวนเ น, น้่ในเวน สวัสดีครับพระอาจารย์นาวินครับนาวินมีอะไรไหมครับก็จะมาแชร์วิธีการแก้จิตฟุ้งซ่านสลับกับพลดหูครับพระอาจารย์มาๆๆตอนแรกก็ผมนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงครับมันก็ยังไม่เพียงพอครับก็ต้องเพิ่มเพิ่มกาลังสมาธิเข้าไปแต่ว่าเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆมันก็จะ มันก็จะไม่พุ้งซ่านครับแต่ว่าพอปล่อยไปสักพักนึงเนี่ยมันจะพุ่งซ่าอีกครั้งหนึ่งก็ทำการพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปครับวเวลาที่มันหนักเข้ามาก็เข้าไปนั่งสมาธิใหม่อีกแล้วก็ทำการพุโทโธไปตอนนี้ก็เจอเลยว่าเวลาที่มันมีภาษาเข้ามาเนี่ยแล้วเราพุโทโธเนี่ยมันมันจะหยุดในตัวสังขารปรุงแต่งใช่ก็เลยเห็นว่า ในตัวนิเลศเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะคลองในตรงหลังคาผนังแตกไปใ ช, แใช่แล้วแั้ ว, วต้อใช้ธรรมะมาหยุดมันใช้พุทโธมาหยุดมันครับแล้วก็ต้องใช้ควบคู่กันครับอาจารย์ก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องกลับกลับไปนั่งสมาธิครับใช่เวลานั่งใช้อะไรใช้ลมแล้วใช้พุโทโธใช้ทั้งลมและพุโทโธพร้อมกันครั บ, บ ใ, ใช่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะ นิ่งนิ่งไปใช่เวล่เราเอาใจสมาธิก็พยายามใช้พุโทโธต่อก็ได้ครับจะได้ไม่นั่งกลับไปนั่งถ้ามีสติเขาประคับประคองไว้มันก็จะไม่ฟุง้งซ่านครับมันจะเป็นเหมือนมีตัวนิวร น, นะครับตัวถีนิมิตะกับกดจะอะไรเนี่ยฮะโชวฟุง้งซ่านกับหดหู่มันมา ม, นนมาเกิดขึ้นใช่ครับถ้าไม่ฟุง้งซ่านแลางห้องนอน ครับมันจะ ง, ง่วงๆครับเก็ตอนนี้ก็ลื้อบ้านมันเลยครับก็พุโทโธตลอดเลยจันแล้วก็มีเวลาอะไรก็เข้าสมาธิไปครับได้ดีทุกท่านก็รู้สึกว่าเริ่มเห็ น, น, น, นเริ่มเห็นกิเลสทํางานครับอืมแล้วก็ เ, เห็นธรรมะระดับมันได้เห็นเส้นติเห็นพุโทโธเป็นเครื่องมือดับกิเลสได้ ตัวสติเนี่ยจริงๆสําคัญที่สุดเลยครับก่อนก่อนจะไปจริงๆผมข้ามไปสมาธินึกว่าตัวเองสตินี่อยู่แล้วจริงๆสติยังอ่อนอยู่มากเลยครับอาจารย์ใช่แล้วนั่งสมาธิก็ต้องใช้สติมันงห้สงบได้ไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วสั่งให้มันสงบมันไม่สงบครับก็มารายงานสภาวะครับอาจารย์ครับย อ, อดออดียังดีด้วยวไว้ศึกษาไว้นะ ออออตอนนี้มีเพื่อนบ้านเขากาลังส่งเสียงคได้ยินไหมครับอาจารย์ของผมเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะสาธุขอบคุณครับเดียวร้อยเพื่อนบ้านเขาอยู่นเราไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไร ให้เขาระบายลวระบายอารมโอเคเจ้าไปี่คุณคุณชาวส์และบัวคุณบัวอะไอ้ how are you อยู่ที่ไหนจ้าการไหวกันเทาการเจ้าเพิ่งเข้ามาใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์นะที่มาฟังเทศที่กติบ่อยๆใช่ไหม เจ้าค่ะตอนนี้ออกจากงานแล้วไม่ได้ทํางานแล้วเจ้าค่ะอไม่ได้ทําอะไรเลยมาดูแลเขาพามาอยู่บ้านเกิดหนองไยเจ้าค่ะอ๋อตอาที่นอยู่เมื่อทำชะบังเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะทําเสริมสวยแต่ตอนนี้ชีวิตผ่านอะไรมากมายก็เลยเข้าใจชีวิตแล้วค่ะแล้วก็เลยต้องมาใช้ชีวิตครองเดือนแบบรักษาศีลอย่างครูบาอาจารย์หนอยเจ้าค่ะ อ่ดีอ่าถูกต้องว่านะเจ้าค่ะแล้วก็ฝึกสติไม่อยากได้อะไรแล้วเจ้าขาอ่ามันเป็นทุกทางอ่ะได้มาแล้วก็ทุกหมดไปก็ทุกเจ้าค่ะพอไม่อยากได้แล้วมันกลับมีทุกอย่างเลยเจ้าะาอ่ดีแต่ก็พิจารณาไปอย่างพระอาจารย์สอนเจ้าค่ะทุกอย่างไปเที่ยงนะเจ้าค่ะมาเดี๋ยวเราลองไปอย่างนี้เจ้าค่ะมันไม่ไปเราก็ต้องไปเจ้าขอขอบคุณเจ้าค่ะอืม Goodmornin Very good, thank you. Okay, you r enjoying e your stay in Thailand? Absolutely, love it. Good. Okay, you got any questions? You yeah. no questions? No questions right now. Can you, can you understand what we said in Thai? n o n o i n i Okay. n o i club. d i d n i i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i หนูฝึกสติทุกวันค่ะแต่ว่าหนูกำลังสับสนอยู่ว่า เ, ออเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ฝึกสติไปเราก็อยู่กับปัจจุบันไปใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วถ้าไม่ต้องทำอะไรก็นั่งบางส็ายนั่งหลับตานั่ใช้สติที่เราฝึกเนี่ยดูล ม, มหายใจเข้าออกก็ได้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปก็ได้พยายามอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าคะอาจารย์จะนิ่งจะสงบมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นก็มีนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างหลังจากภารกิจงานบ้านเสร็จอะไรเงี้ยเจ้าค่ะได้ทําเำแล้วก็ฝึกสติไปคลองเรือนไปอย่างเงี้ยค่ะมีส่วนหนึ่งที่ที่หนูไม่ได้ใส่บาทเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมเ้าไม่เป็นไรทำบุญยังวิธีอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้โอนเงินเข้าวัดก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มี วิธีให้เราโอนเงินเข้าไปได้มีมีอีกรูปแบบหนึ่งหนูโอนผ่านป้ติมไปถวายพระคุณเจ้าอยู่เจ้าค่ะพร้อมกับอาหารเจ้าค่ะได้ได้เจ้าค่ะเขาเช่ามันเ้าที่เขาถ่ายรูปมาส่งไปใช่ไหมเจ้าค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเราไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะมีถวายข้าวแล้วก็ปัจจัยค่ะจำนวนที่สูงเจ้าค่ะดีขอบคุณท่านแล้ว ถ้ามีโอกาสได้ไปทักชูมมรีก็จะเป็นกับพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่สาธุโอเคซียูเลยชสสาธุซนซอาจารย์บายบายสสาธุน้องเอรากาวนวัสการค่ะพระอาจารย์ไง ก็รู้สึกว่าเข้าใจที่พระอาจารย์สอนแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าบอกให้เราปฏิบัติค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะได้เจอสิ่งที่มากระทบหรือว่าความตายความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะอาจารย์ก็รู้สึกว่าช่วงนี้ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครเข้าใจเอิงไหมแต่เอิงรู้สึกว่าเอิงเข้าใจตัวเองค่ะ เ, เพื่อนเพื่อนเอิงหลายคนนะ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เอิงเจอเนี่ย เอิต้องแย่แน่เลยเศร้าแน่เลยถูกมากๆากอะไรอย่างนี้นค่ะแต่ว่าใจเอิงเองอะ่ะเอิงรู้สึกว่าเอิงไม่ได้ไม่ได้ทุกอะไรเลยอะค่ะหมายถึงแบบก็แก้ไขตามปัญหาไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเอิงเข้าใจแล้วเหมือนพระอาจารย์แบบพระพุทธองค์เองหรือพระอาจารย์เองก็เหมือนแบบทําประกันชีวิตให้เวลาเจอเหตุการณ์แล้วก็ได้เอามาใช้อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้สติใช้ปัญญา สติทําใจให้นิ่งปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางทั้นั้นเองอะไรจะเกิดก็เกิดห้ามห้ามไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ทำอะไรได้ก็ทําไปทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไปค่ะก็รู้สึกว่าก็จะไม่ประมาทในชีวิตค่ะพระอาจารย์อย่าทิ้งธรรมะทิ้งธรรมะให้ถือว่าประมาทถ้ า, า, าปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่อง ให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฝั่งมันพายเรือรีบพายไปตอนไหนรีบพายไปเดี๋ยวเวลามันจะหมดจะไม่ได้พายเดี๋ยวจะไม่ได้ถึงฝั่งอันนี้พายได้รีบพายเสียอันนี้ปฏิบัติได้รีบปฏิบัติเสียเพราะวันใดวันหนึ่งว่าไม่รู้เวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะตายเวลาอายุแปดสิบเก้าสิบปีกันทุกคนบางคนห้าสิบก็ไปแล้วบางคนก็หกสิบ ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะพระาจารย์แล้วก็ช่วงนี้เอิงก็เหมือนได้เห็นคนใกล้ชิดนะคะที่แบบนั่งฟังธรรมกันอยู่แล้วเกิดสตูกชักขึ้นมากระทันหันหรือว่าแบบคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเอิงอะคะเหมือนเขาไปทำกิจกรรมปกติแล้วอยู่ดีเขาก็ล้มแล้วไม่กี่วันเขาก็ตายอยะะ่างเงี้ยค่ะซึ่งอายุประมาณยี2สิบเจ็ดยิบแปดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรแน่นอนความตาย ที่นี้อนก็คือความตายแต่ยัยจะตายเมื่อไหร่นี้ไม่แน่นอนค่ะเออที่หน้ากุฏิเอิอ ก, เอก็เลยถามพระอาจารย์ว่าแบบเออถ้าเราปฏิบัติไปอ่ะเราจะรู้ก่อนตายหรือตอนตายค่ะว่าเราแบบเรารอดแล้วไรเงี้ยรู้ถ้ามันถ้าทุกข์มันดับเมื่อไหร่เราก็รู้เองมันดับแต่บางทีต้องต้องเจอทุกข์ก่อนแล้วดับทุกข์ให้ได้พอทุกข์เกิดแล้วเราใช้ปัญญาดับมันได้ทุกข์หายไปเราก็รู้ว่าอ๋อ รอดพ้นจากความทุกข์แล้วตรงนี้ไม่เกิดอะไรแล้วพอเรารู้จักวิธีกำจัดมันค่ะพระอาจารย์เอิง อ, อยากขอถามอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะจะไม่ถาม a ออดีกว่า <laughs> โอแต่พระอาจารย์อยู่ข้างหน้าเองนะคะ <laughs> คาถามที่เองอยากถามเอิ้อยากทราบว่ า, าวทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ได้ได้เจอธรรมะได้ปฏิบัติเนี่ยทุกคนจะต้องได้เจอ สิ่งที่รู้สึกว่ามันหนักมากๆในชีวิตทุกคนไน่นอ น, นไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีแน่นอนเรื่องของกรรมนี้มันมีทั้งหนักทั้งเบาอ ย, อยู่ที่ว่าเราสร้างกรรมอันใดไว้ ไ, ไม่ได้อยู่ที่เพราะทุกคนมาเจอธรรมะแล้วจะเจอเของหนักไห oh. มบางคนอ่ะจะเจอธรรมะแล้วบรรุภายในเจ็ดวันก็มีเจ็ดเดือนก็มีมันไม่แน่นอนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเพราะเพราะ คนมักจะคิดว่าพอจะนั่งพอจะปฏิบัติทำมารมาเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> มันงๆบุตรมัน ม, มีอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนั้นเรารอบใช้มันนัเองตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติทำเรารอบใช้มันมันก็ไปด้วยกันได้บารชอบพาเราไปผับไปบาร์อย่างนี้แล้วเวลาไปมันก็ไม่มารบกวนเราแต่พอเรา <c oughs> ปฏิบัติธรรมนี่มันจะมาช่วนเราไปแล้วสิช่วยเราไปผับไปบาร์ขึ้นมาแล้วยไหนเมื่อก่อนเคยไปทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ไปเออ เวลาปฏิบัติธรรมมันมันจะเจอมารเยอะขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกับมารเราไปกับมารแต่ตอนี้เราเป็นคู่ต่อสู้กับมารมันก็เลยต้องมาด่าวีกับเราเข้าใจไหมอย่างนี้เหมือนกันทุกคนอ่ะทุกคนพอปฏิบัติธรรมแล้วมันจะต้องเจอมารมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนเรารับใช้มันเงี้ยตอนนี้เราเลิกรับใช้มันแะทีนี้มันก็เลยต้องมามาบังคับเราละ มาเดิน้วแล้ะแต่ เ, เราต้องหนักแน่นเราไม่ไปละชวนให้ไปผับก็ไม่ไปชวนให้ไปเดินก็ไม่ไม่เดินละขจายนะโอเคอย่ง น, นี้นไปที่ท่านต่อไปคุณปรางว่าอะไรเปอนยงไรรวัชการเจค่ะวันที่หนูออกไปไปไปทางเหนือคะ่ะไปส่งลูกที่ เชียงรายค่ะมีมีโอกาสที่ได้พักแล้วก็ไปไหว้พระาธาตุที่พระาธาตุจอมกิติบเชียงแสนแล้วก็ไปเชียงของที่ไปพระาธาตุดอยแม่ย่าม่อนนะคะเหมือนเหมือนไปทุดงอะคะ่ะพอกลับมาแล้วมีแรงมีแรงปฏิบัติทำขึ้นเยอะเลยก็เลยเหมือนเข้าใจว่า อ, อ๋อเวลาที่แบบเรากาลังกำลังหมดกำลังแล้วค่ะพอเราไปไปที่ที่ที่เรา ไปแล้วเราชอบอะค่ะกลับมามันก็มีแรงซึบนั่งปฏิบัติทำต่อนะค่ะแล้วก็พอดีพี่ที่วัดนะ่ะที่ที่เชียงของอะเขาก็เลยชวนพอดีแต่ว่าหนูก็ศึกษาไว้ก่อนวันที่หนูไม่ต้องส่งลูกไม่มีภาระแล้วว่าหนูก็จะทําเหมือนคุณหมอคุณหมอภระศาสนาค่ะทีนี้ทางทางเชียงของนะเนี่ยเาหนูก็ถามว่าต้องต้องทําอะไรไหมเขาบอกไม่ต้องทําอะไรก็ช่วยงานช่วยงานนิดหน่อยเก็บ กวาดกวาดลานนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยถามเขาว่าปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติอะไรบ้าง เ, เขาบอกสวดมนต์หนูก็โอสบายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเวลาว่างเยอะแล้วก็คนไม่ค่อยพูกพานะคะก็คิดว่าเดี๋ยวตอนที่เราหมดภาละแล้วอะค่ะก็จะคล้ายๆแบบนั้นค่ะเพราะกลับมาปุ๊บค่ะเจอกันบ้านเป็นพวกไตรัตเลยค่ะกลับมาก็เจอคุณพ่อสามีเสียชีวิตอะค่ะ แล้วก็มาไม่ทันเพราะตอนนั้นไปทํางานที่เกาะแล้วกลับมาอีกทีนึงก็ก็ปัรจุลงไปแล้วก็เลยพิจารณาอ่าล่างกศพไม่ทันแต่ว่าก็ก็พิจารณาเรื่องของความตายค่ะพอ่อคืนที่สองกลางคืนคุณแม่คุณแม่สามีก็เคาะประตูตอนตีสามต้องไปโรงพยาบาลดว่วนนะคะเป็นเหมือนกระเพาะรั่วเลือถอกในกระเพาะแล้วก็อัจเจียนเป็นเลือดอค่ะ ก็เลยช่งนี้า่ยังยังพอเสร็จงานศพแล้วต้องไปกันเรื่อยๆหนูก็ไปเจอโซนที่มันเป็นแบบโซนอายุรกรรมหญิงหนักๆอย่างเช่นอีกเตียงหนึ่งก็เป็นมะเร็งกลนหัวไม่มีแรงแล้วอีกอีกเตียงหนึ่งก็ตาลอยอีกเตียงหนึ่งก็โวยวายอะไรเนี่ยหนูก็เลยหนูก็เลยมาพิจารณาทำว่าเออเดี๋ยวเราก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าเราจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบที่เขาเป็นหรือว่า จะเป็นอะไรอะไรเงี้ยหนูว่าเออชีวิตนี้มันก็แบบไม่มีอะไรละถึงเวลาแล้วก็ต้องต้องตายทุกคนอยู่แล้วก็ไม่ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็ตายดีกว่ า, าไม่อยากไม่อยาก่ใช่น้องกลับเข้ามาที่ตัวเราเสมอเห็นอะไรแล้วก็นอนกลับมาสอนใจว่าเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเจ้ค่ะเห็นเทวดาอย่างพระพุทธเจ้า คุณเจ้เห็นคนเดียวก็ไปบวชแะเรามันยังต้องเห็นอีกหลายครั้งก่อนจะไปบวชได้ใช่ไล่ะค่ะก็ใช้โอกาสเนี้ไปทุกวันเลยค่ะไปไปพิจารณาแล้วก็อเราเราต้องมีสติเรียงอื่นก็ต้องมีสติก่อนในะปัจจุบันเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกทุกๆคนนะคะ่ะว่าจะเอาเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีหนูเหลืออีกไม่กี่ปีละหนูก็จะเอาเจ็ดปีของหนูที่ที่ยึดให้ได้เลยออว่ามาอีกปีปีครึ่งจะเอาให้ได้ค่ะ ยังไงก็ต้องสู้กับมันใช่าจริงๆเดี๋ยวกิเลสมันก็มันก็หนีไปหมดนะเพราะเราไม่จริงมันก็มันก็มันก็เลยไม่ไปค่ะหนูเล่ยเพิมนึ่งค่ะลูกสาวเดี๋ยวจะจบละก็เดี๋ยวจะหนูจะเริ่มเริ่มแบบเข้มข้นมากขึ้นแล้วจะค่ะเดาดูค่ะขอบคุณค่ะอ่าเป็นที่คุณโกะแต่คุณยานันยาอยู่คอนโด กับนรมาสการพระอาจารย์โตค่ะอะมีอะไรไหมก็พยายามเจริญสติอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วก็เออลองทำํำบางวันคือเหมือนกับว่ามีหลายอย่างที่อยากจะทําอะค่ะพระอาจารย์ก็ไปทำสองอย่างแต่ว่าพอเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันมันไม่เหมือนเดิมพอเราได้เริ่มทำอะไรทีละอย่างค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันมันไม่เวิร์กก็พยายามจัดสรรตารางแล้วก็ไม่ทำอะไรสองอย่างที่มันอยากฟังอยากจะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เวลามันไม่พอเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องทำนะคะพระอาจารย์ก็พยายามจัดการเวลาให้ได้ดีที่สุดเท่าดี้อ่าได้นนไปก่อน ต่อไปก็ต้องลดกิจกรรมอย่างอื่นให้มันน้อยลงไปอันไหนที่ไม่จาเป็นก็ตัดมันไปทำแต่กิจกรรมที่จำเป็น ใช่เพราะว่าอย่างถ้าสมมติมันเหมือนทุกอย่างมันมีมันมี opportunity cost ค่ะพะาจารย์สมมุติว่าเราอยากจะทำอาหารทานเองหนึ่งคือมันเสียเวลามันแต่ว่าเราได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันสะอาดมันมันตรงอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่ถ้าเราไปซื้อก็คือมีข้อดีที่ว่ามันประหยัดเวลาแต่เขาใส่อะไรมาเราก็ ไม่มันมันคือได้อย่างเสียอย่างนะคะพระอาจารย์ก็ต้องมานั่งมานั่งเวทดูว่าอันไหนที่แบบประหยัดเวลาได้เพื่อที่จะมีเวลาไปปฏิบัติหรือแบบให้มันอยู่ในเส้นทางของการเจริญสติที่ถูกต้องนะคะพระอาจารย์ก็อย่างว่าถ้าเรายังมีภาราอยู่มันก็เวลาเราก็จะมีน้อยสำหรับการปฏิบัติ้ะค่ะแต่ก็พยายามแต่ก็รู้สึกว่า ไม่ชอบกลับไปทำสองอย่างเหมือนเดิมแล้วถึงแม้ว่าบางทีเราอยากจะเราอยากจะรู้เรื่องนี้มากๆแล้วเราเหลือเวลาน้อยละกำลังจะขําละกำลังจะต้องเอาลูกเข้านอนละก็ก็ไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันหนึ่งคือฟังก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนไม่ได้ทั้งคู่ใช่เอาอย่างเดียวดีค่ะดได้เต็มร้อยอก็พยายามพยายามจัดสรรตรงนั้นนะคะพระอาจารยา์อย่าโลภย่า ม, มาก S <S <S ต้องว่าสิ่งไหนที่เราไปได้เวลาเราตายสิ่งไหนที่เราไปไม่ได้อันไหนที่เราไปได้ก็ให้ความสาคัญอย่างมันธรรมะเนี่เราไปได้แต่เรื่องของทางโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมันมากเกินไปอย่าไปให้ความสำคัญมันมากเกินไปอ่าเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็มีเผลอไปฟังข่าวนิดนึงแล้วรู้สึกเลยว่าตัวเองคงไม่ใช่คนเขาเลยยังไม่ได้ข้างในยังไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดอะไรได้ง่ายพอฟังแล้วจิตมันยังไม่อนไว้อยู่ยังอนไว้อยู่มากมากเลยค่ะพระอาจารย์ตรบางทีเราเรารู้สึกว่าเรื่องนี้นะ่าน่ารู้จังรู้ไว้เป็นความรู้แต่พอไปฟังแล้วมันสะเทือนใจนะคะพระอาจารย์แล้วมันรู้สึกแบบเศร้าอะ่ะ อรู้สึกเศร้าอ่ะค่ะแล้วก็ยังยังบางอย่างยังหาวิธีลบไม่ได้เหมือนมันต้องขิดแยงกันหรือคิดหาอะไรที่มาเป็นเป็นหักลบกันเพื่อให้ความรู้สึกแบบดเสียใจเศร้าเนี้ยมันมันหายไปอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิด ว, ว่าหลังจากนี้ไม่รู้เลยดีกว่าไม่รู้เลยดีกว่ารู้จิตใจเรายังอ่อนไหวอยู่ยังไม่มีอเบรคขาพอ ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ต่อไปเราก็จะรับรู้เฉยๆได้ไม่มีอารมณ์กับมันอืมเดี๋ยวค่ะพระอาจารย์มันมันต้องฝึกไปพอสมควรเลยใช่ไหมเดี๋ค่ะพระอาจารย์สามารถนั่งสมาธิให้นิ่งๆได้นานเนี่ยให้จิตว่างเย็นสบายมีอเมคา้าค่ะ แล้วก็อยากจะถามพระอาจารย์อีกคําถามหนึงเจ้าค่ะอย่างเวลาเราไปทําบุญนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือความระดับความปลื้มอะ่ะมันไม่เท่ากันเวลาที่เราไม่ได้มีโอกาสไปทําบุญแบบนั้นบ่อยๆอะ่ะถ้าเรา ล, ลึกถึงความรู้สึกนั้นขึ้นมาค่ะพระอาจารย์มันก็ทําได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้แต่มันได้ของเก่ามันไม่ได้ของใหม่แล้วเราก็ทําบุญใหม่ไปด้วยแต่บุญใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้ปลื้มเท่ากับบุญที่เคย ทำที่เมืองไทยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรคือความเพิ่มนี่มันเป็นของแถมแต่สิ่งที่เราได้ากการทำบุญก็คือเราได้เสียสละเราได้ตัดตัดความยึดติดตัดความโลภซึ่งเป็นบุญที่สำคัญกว่าความรู้สึกเปิ่มอันนี้ความเพิ่มนี่เป็นมือนกัเป็นของแถมมากับเราแต่สิ่งที่เราทำบุญนี้ก็เพื่อที่จะตัดกิเลสตัดความโลภตัดความตนี ก็จะทําให้ใจเราเบาใจให้เรามีความสุขขึ้นมาส่วนเพิ่มนี่มันอยู่ที่ว่าเราทํามือกับแบบไหนกับใครถ้าเราทํากับแบบที่เราชอบเรามันก็จะทําให้เราเพิ่มเหมกับกินอาหารเนะ่กินอาหารที่เราชอบมันก็มันอิ่มด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยจากจากกินอาหารที่เราชอบแต่ถ้าเรากินอาหารที่เราไม่ชอบเราก็อิ่มแต่เราอาจจะไม่มีความสุขไม่มีความเพิ่มต่นนั้นเองแต่ตัวสําคัญก็คือตัวอิ่มใจเนี่ย ด้วยอิ่ใจไม่ว่าจะทํากับใครก็ได้เหมือนกันแต่ความปลื้มใจนี้ต้องแล้วแต่บุญชนิดไหนที่เราทําบางคนชอบทํากับสัตว์เพื่ช่วยสัตว์ก็มีความเพิ่มขึ้นมะบางคนชอบทํากับโรงพยบาบาลไม่แน่แล้วแต่บุญชนิดไหนแต่บุญที่ได้คือความอิ่มใจนี่เหมือนกันแต่<ม>ความไม่ต้องกังว แ, แต่ความปลื้มนี่มันมันเหมือ น, น, นเป็นยาใจเลยนะคะพระอาจารย์มันแ<ก>บบดีด ถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าอย่าไปรอให้หาทาบุญที่ทำให้เราเพิ่มเดี๋ยวจะไม่ได้ทำอ่ะอ <c oughs> าจารย์ก็ทำบุญอยู่เรื่อยๆเยจ้าค่ะแต่ก็เื็นเป็นปกติทำให้มันเป็นนิสัยไปันมีอ น, นะ <c oughs> กินข้าวเราไม่ได้กินข้าวทุกวันที่เราจะจะเจออาหารที่ถูกปากถูกใจเราเสมอไปใช่ไหมแต่เราก็ต้องกินกินเพื่อดับความหิวดับความอยากต่างๆ ง า, านทีก็ได้ไปดินเนอร์ที่นั่นที่นี่ที่ล้อเพิ่ม <c oughs> ก็เหมือนกันการทําบุญของทีก็ต้องรอจังหวะเพนี้ได้ทําในสิ่งที่เราปลื้มเมื่อก่อนเคยบ่าว่าหวยหาเหมือนว่าเวลาเห็นเห็นแบบว่าญาติญาติไปทําบุญที่เรารู้สึกว่าเราไปเราปื้ม <c oughs> ก็มีแอบแบบมันเห็นตัวอิจฉาขึ้นมาด้วยค่ะอาจารย์ <c oughs> อยากไปบ้างออยากอยากมีโอกาสแบบนั้นบ้างอยากบินกลับเมืองไทยตอนนี้เลยอย่างนี้ แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ส ง, งบลงขึ้นเยอะคือเหมือนกับว่าถ้ได้ทําจริงจริง <c oughs> ถ้าได้ทําจริงจริงทำบ่อย ๆ, อย ๆ, อยๆมันอาจจะหายเพื่อมาได้เพราะมันเลืสึกันจะชินชาแล้ว ช, ชินชาขึ้นไปมันกับกินานะอาหารเนี่ยอาหารที่เราชา้บมากขนาดไหนถ้ากินบ่อยๆเข้ามันเดี๋ยวก็เบื่อเองนะพระอาจารย์อย่ายึดติดอย่าไปยึดติดความเปื้องให้ยึดติดกับความอิ่มใจก็พอทําบุญแล้วอิ่มใจก็ใช้ได้ ใช่แล้วก็ทําอย่างที่พระอาจารย์สอนคือทําเราไม่หวังผล ไ, ไม่หวังว่าเขาจะรู้สึกคือเหมือนว่าไม่ไม่หวังอะไรเลยพอ ใ, ใจเราหรือไม่เขาจะยินดีกับเราไม่ไม่ต้องไปสนใจไ<ช>ว้เรามีความอิ่มใจให้เราชนะใจเราก็พ อ, อเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกก็คือว่าเราจะไม่ไปเ u e s t i o n mark ว่าเขาไปทําตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าคือเราชนะแล้วเราก็เป็นของเขาไปแล้วไม่จะทํารือไม่ทำํำก็เรื่องของเขา ถ้ารู้ว่าเขาไม่ทําตามวัตถุประสงค์เขาหน้าเราก็อย่าไปทํำกับเขาก็แล้วกันต่ค่ะอาจารย์ต่อค่ะต่อค่ะอาจารย์ขอบพคุณเจ้าค่ะอาจารย์แต่เวลาทําปแล้วไม่ต้อไปตามดูว่าเขามันบางคนถวายอาหารให้พระแล้วคอยจ้องปากของฉันหรือเปล่ากินของฉันหรือเปล่าบางทีป้าโอ้คงอยากเปลื้มอยากเปลื้มใชายก็อยากจะเปลืมอิ่มไม่พอยังต้องเปล่มด้วย โอเคมีอะไรอีไหมไม่มีแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเป็ไปที่คุณสาโรณรัฐสาธารณัฐพันธบัตรเองยังรับราชการอยู่ป่าวโย่เดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนนะอ่าแล้วพูดได้แล้วพูดได้แล้วสำนักงานการครับอาจารย์ครับก็พึงเท่ามาร่วมฟังในวันนี้ครับ ก็ปกติก็ช่วงประมาณสักสามสี่ทุ่มก็นั่งปฏิบัติครับโดยปฏิบัติกำหนดพุทโธแล้วก็ใช้เวลาประมาณสามถึสี่ปีนั่นเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควรครับเพราะว่าพอนั่งไปกำหนดไปแล้วก็อมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าพุทโธหายลมหายใจหายเพราะกําหนดลมหายใจด้วยกับความพุทโธหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธ พอสักพักหนึ่งมันก็ทั้งพุทโธทั้งลมหายใจมันหายแล้วมันจะไปนั่งนิ่งอย่างเดียวครับแลประมาณก็คือถูกต้องนะูกต้องนมันเหมือนกับไม่พัฒนาคือสติมันไม่มันจับสติไม่ค่อยได้มันจะเข้าไปเหมือนกับว่านิ่งอย่างเดียวครับนั่งสมาธิก็เพื่อนั่งให้มันนิ่งให้ยอมไม่นิ่งให้เห็นอะไรทั้งว่จะเห็นอะไรต้องออกมาทั้งออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณาทางปัญญา พิจารณาตายลักครับน <Yeah. S 1> ั่ <Yeah. S 1> ถึงจะเห็นถึงจะเห็นถึงะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นของเราออันนี้ต้องใช้ใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเห็นแต่ว่า <Yeah. S 1> นั่งสมาธิต้องนั่งเพื่อให้มันนิ่งอย่างเดียวครับ <Yeah. S 1> ยันไม่ต้องไม่ต้อ ง, <Yeah. S 1> ไ, มองไม่ต้องไปหวังอะไรนอกจากความนิ่งในการนั่งสมาธิครับพยาให้มันนิ่งนานๆยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดี นี่พอนั่งไปสักสามสิบนาทีสี่สิบสี่สิบนาทีมันเหมือนกับนั่งประมาณสักห้านาทีสิบนาทีแล้วมันก็ออกแล้วพอดั้งสักพักหนึ่งมันก็จะมีหมายก็ว่าพอจะรู้สึกพอกร้ใจจะออกะมันก็จะเหมือนกับว่ามีตัวอะไรมาไต่ตรงด้านหน้าขันยิบยิบัับบบบบดูมมมมมมนก็ไไ่่ไ่ีีอร ก็ ใ, ใจมันปรุงแต่งไปเอง น, นั่นเองก็ไม่ต้สนใจให้รู้เฉยๆไปแล้วสติคือที่ผมฟังของ <c oughs> อหลว ง, งพ่อพุธครับก็เห็นว่าถ้านั่งแล้วก็ถ้าเราไม่ตามสติไปไม่พัฒนา ก็เราเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องเจริญสติต่อไงเอาจากสมาธิแล้วก็พุโทโธพุโทโธต่ อ, อพุโทโธตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับใช่ทั้งวันทั้งคืนเลยต้องเป็นเวลาหลับยิ่งพุโทโธได้มากเท่าไหร่ก็จะมีสติยิ่งมากขึ้นได้ครับเราจะพัฒนาะจะนั่งได้นานขึ้นจะสงบได้ลึกขึ้นครับาช่วงนี้คือจะเดินชมกลมก็คงไม่มีเวลาฮรเพราะทํางานอยู่ครับก็จะ จะนั่งช่วงประมาณสักหลังจากเลิกงานแล้วก็กลับ ม, มาที่บ้านแล้วก็มานั่งช่วงกลางคืนก่อนนอนสวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็ได้ก็ต้องรอวันหยุดวันที่เราไม่ต้องทํางานเราจะได้ปฏิบัติได้มากขึ้นไปอยู่วัดบ้างก็ได้จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้ทั้งวันคเคยไปเคยไปนั่งที่วัดทิงสามสามวันบ้างอ่งาอย่างนั้นดีเป็นวิธีเพิ่มสติให้กับการปฏิบัติ ก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วก็เฝ้าฟังธรรมะของพระอาจารย์ครับแล้วก็จะไปโอเคสาธเๆๆนี่ยอวัสดีคุณตายต่อคุณตายบายบายน้อมกลับไปมัศการค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงก็ก <laughs> ็หลุดไปวันหนึ่งค่ะพระอาจารย์โดนกิเลสหรอก ไปงานศพที่เชียงใหม่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่ะก็เหมือนกับว่าเราไปทันเข้าเย็นนะคะพระอาจารย์ผมบอกน้ํำพริกอร่อยยงก็เอาไงดีเนี่ยทนต้านต้านไม่ไหวพระอาจารย์เอาทรื่องกินเลยดีเอาทําเรื่องน้าพริกดีหลุดหลุดวันนั้นเลยค่ะพระอาจารย์เลยบอกว่าไปไปบนดอยไปตากถินแล้วก็อีกวันหนึ่ง พอกากินเสร็จนะพ่อาจารย์กินเสร็จก็เอ้าตายแล้วไปเสล้วอะไรก็รู้รู้ตัวนะพ่อจาย์แต่ก็ยังกินต่อนี่ใส่ไม่ดีเสร็จแล้วยอมก็มาทำโทษตัวเองก็คืออีกวันหนึ่งบอกว่าโอเคเมื่อวานกินไปแล้วใช่ไหมวันอีกวันนึงก็อดทั้งวันเลยแต่วันมันเป็นวันเผายอมก็ไปไปไปกลางวันอีกวันหนึ่งไปเผาศพเขา เสร็จแล้วก็ไปพอเขายกกับเปาตอนกลางวันนะพระอาจารย์มันเป็นที่ของชอบของโยมด้วยเอ๊เอาไงดีแต่ก็แต่บอกตัวเองว่าจะลงททอใช่ไหมคะแต่โยมก็เลยว่าอ่าไม่กินเนี่ยให้นั่งมองอยู่เฉยทาทอนเมื่อวานเมื่อวานแอบกินไปแล้ววันนี้ก็คือไม่ให้กินก็อดไปหนึ่งวันนะคะพระอาจารย์โอเคค่ะแต่อันนี้ก็โยมก็ไม่ให้อภัยนะคะมันก็ยังติดอยู่ในใจว่า สัจจะไม่มีสัจแล้วตอนอเข้าพรรษานี้แต่ว่ามันมีเรื่องแปลกอีกอย่างคือมันไม่เคยเกิดกับยมเลยก็คือไปบ้านงวดนี้ยมพอถ้าไม่ไปทุกางจริงก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่โทรหาเพื่อนไม่โทรหาใครไม่ไปสังคมที่ไหนเลยอันนี้คือแบบเอา้าวทำทาได้ด้วยอยู่บ้านสวนอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์จะถือว่า จะก้าวหน้าหรือถอยหลังอันนี้ไม่รู้จะยกตัวเองยังไงดีอ๋อบางทีก็ก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังอย่างที่ไปกินข้าวเย็ยนมันก็ถอยหลังนะค่ะอันนั้นแ่บแบบจ็บใจตัวเองไมากเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่มันเข้าปากแล้วปุ๊บก็พยายาม <c oughs> ว่าพยายามอยากให้มันถอยหลังพยายามให้มันก้าวหน้าอย่างเดียวค่ะค ก, ก็วันนี้ก็เสียไปแล้วหนึ่ง <Okay. S 2> แต่กันเยอะเหมือนกันก็ยังแค่ว่าโอ้เสียไปหลายตั้งเหมือนกันแต่ก็ดีใจที่ว่าแล้วไปไม่เคยเลยแบบไม่เคยที่จะอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยพ่อาจารย์ mm hmm. แต่อันนี้ก็อยู่คนเดียวก็อยู่ในสวนช่วยพี่สาวพอเสร็จจากสวนก็อยู่บ้านก็นั่งนั่งฟังว่าอาจารย์านอาทิตย์แล้วก็เดินจงกลมบ้างนั่งสมาธินิดหน่อยแต่ว่ามันมันก็ยัง ยังได้ไม่เท่าไหร่เลยพระอาจารย์สติคงยังน้อยอยู่อ่ะคะ<ช>่ะจะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์มันต้องมาอยู่วัดสามวันห้าวันนี้มันที่ะไรมากใช่ค่ะมันไม่เหมือนอยู่บนเ<ม>ขาคราวที่แล้วเลยขนาดอยู่บ้านตัวเองแบบห่างไกลผู้คนนะคะพระอาจารย์บ้านเงียบเงียบมีแต่เสียงนกแต่ก็ยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่นี่เลยเลยว่าตัวเองนี่จะว่าแย่ก็แย่แต่ก็จะพยายามค่ะพระอาจารย์กัแต่ก็ วันนี้ยงก็ดีใจนะคะที่ไม่ได้ถกหาใครเลยชอบที่ว่าเอออยู่ตัวเองอยู่คนเดียวก็ได้นี่นะอะไรบอกตัวเองว่าไอ้อทําไมเราอยู่คนเดียวได้ทําไมเราเราไม่ห่วยหาใครแต่กลัวผีไหมยมก็กลัวแต่ว่าเมื่อก่อนนี้กลัวก็จะเรียกเพื่อนมางไงพระอาจารย์แต่เวานนี้ยมอยู่คนเดียวแบบปากหลักอยู่คนเดียวในบ้านจะถือว่าค่ะพอาจารย์ก็้องพยายามทำเป็นยังไงนะ อะไจะทำได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปตามลำดับค่ะอาจารย์ก็มีรายงานเท่านี้ค่ะโอเคตอนนี้ยังอยู่เชียงใหม่เยอะอ๋อกลับมาแล้วค่ะกลับมาวันทังคารที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าไฟบินอุตภเปามีวันอังคารนะคะอาจารย์โอเคจ๋านี้จ๋าเจอสวัสคุณหมอสุทธันีเป็นยังไงสบายดีสบายดีเจ้าค่ะ ลูกไม่มีคำถามอะไรเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคย้อนไปที่คุณซันนี่แบงค์ครับอันนี้ำนำกรรนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะ ม, มาร่วมฟังธรรมค่ะโอเคคุณปูเป้ปูเป้ำำกกรพระอาจารย์ของหนูไม่มีคำถามค่ะ มีแต่ลุยทุกค่ะพระอาจารย์พอดี mm hmm. หนูไปทำเอ็มอาไอมาแล้วค่ะพอาจารย์ mm hmm. ปกติเวลาทำเอมารไอมันจะมีปัญหาคือบทดร่างกายตรงกะโหลกที่ยุบ ค, ค่ะแต่รอบนี้หนูอยากรู้ว่าจะมีอาการเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะรอาจารย์แบบปกติหนูจะหนีเข้าสมาธิค่ะพอาจารย์เวลาทำเอ็มอาร์ไอหลายชั่วโมงเนี่ยค่ะรอบนี้ เปิดตาแบบไม่เข้าสมาธิมันก็ไม่ปวดทั้งร่างกายค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยดูตัวเองต่อค่ะพระอาจารย์พออยู่ที่โรงพยาบาลเวลามีไข้หรือปวดกะโหลกหนูก็จะเข้าสมาธิค่ะพระอาจารย์แต่เปิดตามามันก็ไม่มีอาการหายแล้วค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบสังเกตอะคะช่วงที่หนูเคยผ่ากะโหลกนะคะตอน เปิดตามามันจะปวดแล้วหามโค้แพ็กมาประครบค่ะพระอาจารย์พอรอบนี้เปิดตามามันหายไปทางกายไม่ค่อยมาอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยได้จากฟังธรรมจากพระอาจารย์เนี่ยค่ะก็เลยประเมินตัวเองไปเรื่อยๆะค่ะพระอาจารย์เนี่ยที่หนูเจอเจออะไรก็ใจขอให้ใจระวังเฉยก็แล้วกันสักแต่ว่ารู้ ไม่ต้องไปทุกข์ขามันไม่ไปเย็นดีร้ายกับมันเจ้าค่ะก็เลยเป็นงานนิจําทุกข์นธตาเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูก็เลยมองว่ามันเหมือนเป็นของสมมุติไปเรื่อยๆเหมือนเหมัอนเราเหมือนเหมือนแต่งเติมอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าช่วงที่หนูผ่านสมองอ่ะค่ะมันหนูเริ่มต้นเหมือนเป็นเด็กทารกใหม่เลยค่ะพระอาจารย์เพราะบางคนหนูก็จําชื่อไม่ได้อะค่ะช่วงแรกเหมือนเด็กเด็ก ก็เป็นเรื่องของร่างกายไปให้รู้เฉยๆไปเจ้าขาพระอาจารย์โอเคนะเจ้าขาะอาจารย์เหลือคนสุดท้ายคุณมาลีเพิ่งเข้ามามาลีมีอะไรไหมเหลืออีกห้านาทีค่ะหลวงพ่อค่ะเข้าไม่ได้ไม่มีไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ไดไม่มีคิวไม่มีคิวค่ะไม่เป็นไรคะ่ะหนูฟังหลวงพ่อตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นต้นนะั้นนะใช่ค่ะ วันเสาร์อาทิตย์ก็ฟังค่ะหลวงพ่อวันวันพระค่ะอืมดีมากๆเลยค่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศน์สอนว่าวันพระวันเดินทางไปนิพพานนะคะที่หลวงพ่อสรุปเป็นท่านเป็นตอนแล้วก็เข้าใจตามที่หลวงพ่อสอนอ ม, มันก็ไม่มีอะไรค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อโอเคขอบพระคุณมากค่ะอ่ะาธุไปที่คุณหลาคนคุณหลามีคําถามไหม กราบ น, นมรสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟ e b o ๊ k เจ้าค่ะกราบ น, นมรสการพระอาจารย์ครับคำสอนที่ว่ารู้แล้วให้ปล่อยวางปล่อยวางโดยวิธีไหนครับวิธีหยุดคิดหรือพิจารณาแล้วใช้ปัญญาปล่อยครับก็แล้วแต่เราจะปล่อยอยังไงได้ก็ปล่อยแบบนั้นไปไให้ให้นู้เฉย เขาจะเป็นอะไรกันเไม่ของเขาเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาคำถามต่อไปขอพระอาจารย์เมตตาสอนวิธีพิจารณาว่าขันห้าไม่ใช่เราต้องคิดอย่างไรครับร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันเป็นินน้ํามันเป็นขงนินน้ํามลไฟเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเป็นจิตผู้มาใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือ น, น, น, น, นเหมือนเหมือนรถยนต์คันนึ่ง จิตมันเป็นเหมือนคนขับรถยนต์ให้พิจารณานี้ว่าเรามันได้เป็นร่างกายแล้วความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ใช่เราความรู้สึกนึกคิดก็มันก็เป็นเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนกันเราไม่ได้เป็นความรู้สึกนึกคิดเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายด้วยความรู้สึกนึกคิด การรู้สึกนี้คิดยังไงก็ใช้ร่างกายนึกคิดอยากจะไปเที่ยวก็ใช้ร่างกายพาไปเที่ยวยยนึกคิดอยากจะกินอยากจะดื่มก็ใช้ร่างกายพาไปกินไปดื่มเราไม่มีตัวตนสิ่งเหลนี้ไม่มีตัวตนไม่ใช่เราอย่าไปยึดจะไปติดอย่าไปยากให้เขาเป็นไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยา่าอย่าอย่าไปอยากให้ความความควารู้สึกให้มันมีแต่ความรู้สึกสุขอย่างเดียว มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราห้ามมันไม่ได้บังครับันไม่ไดน้นี่คือให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความรู้สึกนึกิดอย่าอย่าไปยึดจะไปติดอย่าไปคิดว่าเราสั่งมันได้ควบคุมมันได้เสมอไปโอเคมีไห้บ๊วยคำถามสุดท้าย ตอนพิจารณาปล่อยวางขันห้าต้องเรียงลําดับขันในการพิจารณาไหมครับหรือตัวไหนเด่นก็พิจารณาตัวนั้นหรือพิจารณารวมทั้งห้าขันเลยครับเอาสองตัว ท, ที่ต้องพิจารณาคือร่างกายหนึ่งเวทนาหนึ่งว่าร่างกายก็คือเวลาที่มันจะตายเนี่ยก็ปล่อยมันเสียยอมตายเวลาที่ไปเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายแล้วทุกพอยอมตายแล้ความทุกข์ก็จะหายไปนะ ส่วนความเจ็บก็คือเวลาร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นเป็นโรกไม่เป็นโลกเป็นอะไรแล้วไม่สามารถดับความเจ็บเหล่านั้นได้ก็โปร่งเสียยอมยอมอยู่กับความเจ็บนั้นไปยอมเจ็บยอมเจ็บยอมตายมีสองตัวที่เราต้อ ง, องฝึกให้ได้ยอมให้ร่างกายตายไปยอมให้เวทนาเจ็บอยู่กับมันไปถ้าทำใจได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะปล่อยวางได้ทั้งสองอย่าง โอเคหมดแล้วโอเควก็เวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านตรงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ